ขึ้นมาอีกขึ้นมาอีก <c oughs> ยังอยู่ภาคสนามยังไม่หมดวาระยังไม่อิ่มยังไม่พอเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ไปเพิ่มปากเพิ่มท้องนะผ่อนคลายทุกขเวทนาบ้าง ถึงสองชัวง่วโมงกว่าเมื่อกี้เวลาพักเมื่อกี้ถึงสองชั่วโมงไหมอม๋อโอ้ยอารมณ์เก่าที่เคยจำเนี่ยสงสัยจะตกหล่นหายจิ้งหมดแล้วแ่ะอืม <c oughs> ดีแหละหลวงพ่อมาทุกปีก็ามาอนุโมทนาดีใจกับพวกเราพวกเราเห็นประโยชน์ประโยชน์ ตรงนี้เป็นประโยชน์ที่เราทําโอกาสให้เกิดขึ้นสาระที่สำคัญก็คือเราไม่ลืมบุพการีน้องปูเนี่ยแหละบุพการีน้องบุเทศแล้วก็พ่วงเข้ามาอีกครูบาอาจารย์พระยันจํประท่านพาดูพาแลพ า, าจากพาสร้าพาธรรมอยู่ตรงนี้ เป็นครูบาอาจารย์ปองอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องพวกเราก็ไม่ลืมโดยเฉพาะกรณีพิเศษปีนี้เราก็พ่วงมาอีกในหลวงในหลวงท่านก็เป็นบุพการีที่เราควรมองโดยเพราะช่วงนี้เราก็มีการสวดถวายเป็นพระราชกุศลไปที่นี่คงจะทําหลายวาัแล้วมั้งศูนย์กลางนี้นะ่าจะต้องทำแต่ที่วัดเราเนี่ยระบบ ภาวนาทีไรทาวัดสวดบนทีไรเมื่อไรป้องกันแผ่ให้ทางกันแล้วกันเราไม่เคยจักเป็นพิเศษเราไม่เคยจักเป็นพิเศษมีเด็กบ้านข้างๆอยู่แถวเราแถวนั้นเขาจับเราก็ไปช่วยพูดทำไมเขา <c oughs> ในหลวงเราฟังดูในหลวงเนี่ยท่านไม่มีอะไรเป็นข้อตาหนิไม่มีอะไรเป็นข้อตาหนิไม่มีอะไรเป็นข้อด่าร้อย เราฟังดูผลงานที่ท่านทําท่านทําเพื่อประโยชน์สุขเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขกับประชาชนกับราษฎร อ, อย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทรงอยู่ในทศพิราชธรรมไม่ธรรมดานะทศพิราชธรรมเนี่ยมันไปอยู่ได้ที่ไหนมันเป็นการไปตั้งกรอบเพื่อจะเดินตามกรอบมันไม่ง่ายอยู่ในกรอบท่านอยู่ในกรอบได้หมด ท่านไม่มีดาพร้อยฟังดูแล้วท่านไม่มีปิ่นกับอะไรทำให้บ้านเมืองพัฒนามาได้อย่างรวดเร็วเราดูได้จนเดี๋ยวนี้เ่ยพุทธประสงค์นิกรเนี่ยที่พยายามจะไปกราบพระสบท่านเน่ยแต่มอัดแน่นอยู่นั่นแหะต้องไปเข้าคิวทั้งวันก็จะได้กราบช่วงไหนถูกฝนตกถูกแดดออก ก็อยู่อย่างนั้นแหละผู้ที่ท่ามีศรัทธาพอมีทุนทรัพย์พอพอไปใจทางก็เป็นกรณีที่เสียทิ้ทุกคนช่วยโอกาสเอาถือโอกาสเอาเมื่อหยัดยืนท่านเล่าไปตามเมื่อคืนใช่ไหมสี่สิตันข้าสาน40ตันเป็นเงินเท่าไหร่นะฮะเจ็ดแสนเจ็ดแสน จันเยื้ท่านทำท่านทำจริงอะ่ะท่านคิดเห็นท่านทำได้ก็คือยันเยื้มท่านทำได้ <c oughs> โดยเฉพาะยังยิ่งวัดของท่านหนึ่งท่านคุยได้เลยในหลวงพระราชทานทั้งหมดรับเอาทั้งหมดไม่ไม่ใช่เอาแค่วิสุทธาซีมาไม่ใช่เอาทั้งหมดเลยในหลวงให้ทั้งหมดทำกำแพงยี่สิบกิโลแล้วยังไม่หมดอีกเนื้ออีกกี่กิโลไม่รู้นะ กำแพงท่านน่ะพื้นที่ทั้งเท่าไหร่เมื่อกี่หมื่นไรเออกำแพงอ่ะยาวเท่าไหร่ยี่สิบสี่กิโลโอ้ท่านทำเกือบจบแล้วพื้นที่มันไม่ใช่น้อยอ่ะรักษาไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ <c oughs> เอาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวจะได้เวลาตัางนาโมเลยนะ ทุกคนได้เวลาไปผ่อนคลายน่าจะไม่สะเพงกมั้งหรือใครอยากจะสะเพงง ก, ก็สัตได้เลยนะเราก็อยากพาคุยอะไรที่มันเกิดประโยชน์โดยเฉพาะเราพูดธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยเราพยายามเน้นที่สุดทำไงผู้ฟังจะได้ประโยชน์ที่สุดจะได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นการรื่นเริงทั้งสองฝั่งของสองฝ่ายามีการถาม นี่เราฝังเทศมาทั้งกี่กันแล้วนะอาจารย์เยืนหลวงพ่อสวัสดอาจารย์สวัสดิ์หลวงพ่อสรีเมื่อเช้านี้ก็อาจารย์สนิทอาจารย์เลิมเนี่ยอาจารย์เฉลิมสกันห้ากันแล้วนะเนี่ยเราไม่ได้ตั้งประเด็นข้อข้องใจสงสัยอะไรเลยด้วยยังไง ถ้าเปิดต อ, ตอนท้ายๆเราก็เปิดโอกาสให้พูดคุยสนทนากันมันเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเป็นสากัดฉาการที่เราเรียงทําแบบนี้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากสมมติมีคําถามยิงมาหนึ่งคำถามสองคำถามเนี่ยประเด็นข้อข้องใจมันจะคล้ายๆกันคนเดียวตั้งประเด็นคำถามมาทุกคนในนี้ได้ฟังอมด อันนี้หมายถึงว่าข้อบค้องใจเราไปพูดธรรมที่วัชรธรรมก็มีชั่วโมงตอบปัญหาแต่ตอบปัญหาเนี่ยถามตอบโดยตรงนี้ไม่ได้เขาต้องเขียนใส่ใบอะไรสง่งมาเขียนใส่ใบเขียนใส่เศียรกระดาษมาเสร็จแล้วก็ธรรมอริคอนเขาก็อ่านเราก็ตอบเขาก็อ่านเราก็ตอบแต่มันไม่สนุกอย่างหนึ่งคือไม่ได้ ตอบปากตอบคำวันทีเราตอบไปเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันลุ้ถามเขาไม่ได้เพราะเราตอบตามตัวหนังสือมันเลยขาดรบชาติตรงนี้สัหน่อยนึงแต่ก็ดีกว่าเราไม่มีการถามการตอบพูดไปเรื่อยฟังไปเรื่อยลาไปถึงไหนก็นไม่รู้อพอเพลินเทียยจบแล้วตื่นขึ้นมาไม่ได้อะไรเลยอ่ เค่ะขประกาศขรกาศกรานวัฒกธรรมหลวงพร้อมกันอีกค้อ้าวได้ได้เลยได้เลยและอาราธนาธรรมได้เลยเรียนเชิญทุกท่านนะคะตั้งใจองรอมกันนะคะกราบนวัฒ ก, การรหลวงพร้อมกันค่ะกราบกราบกราบ อาราสนาธรรรองกันค่ะพระ เราไม่เห็นมีวิธีใดทีจะเกิดประโยชน์เท่ากับว่าเราฟังไปด้วยนั่งภาวนาไปด้วยวิธีนี้เราเห็นประโยชน์วิธีอื่นไม่แน่เพราะฉะนั้นให้ให้พวกเราเข้าที่ภาวนาเข้าที่ภาวนานั่งยังไงสะดวกสบายให้กําหนดอารมณ์ภาวนาพุโทโธกํากับในลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุโทโธ พุทโธมันเป็นการเตรียมเตรียมการกำลังสองส่วนหนึ่งก็คือเสียงที่เราพูดเป็นเสียงธรรมะอีกส่วนก็คือคำบริกรรมเราตั้งใจบริกรรมไปตั้งใจภาวนาไปหูมันไม่ดับหรอกมันต้องได้ยินมันเป็นการตั้งใจสมมติมันมันตกจากเสียงเทศมันจะไปอยู่กับพุทโธมันตกจากพุทโธมันก็จะไปอยู่กับเสียงเทศ ไม่มันขยับไปไหนแบบนี้ได้ประโยชน์ไม่หลับด้วยไม่หลับด้วยอืเร า, เอาอย่างนี้แหละเพราะธรรมะหรืออักธรรมที่เรากําลังเทศที่เราพูดแม้แต่ที่เราตั้งใจบฏิกรรมพุโทโธพุโทโธพุโธเพื่อเอาผลรายได้เข้าสู่หัวใจเอาผลรายได้เข้าสู่หัวใจของเราสำคัญที่สุด แล้วก็ทำใจ ส, สบายๆปลดปล่อยอดีตอนาคตปลดปล่อยให้หมดให้เหลือให้เหลือปัจจุบันกำลัดสติโร่มมาเดี๋ยวเดียววันนี้จะเน้นเรื่องมาสติปัฏฐานเมื่อคืนหลวงพ่อสริกับพูดแนวประยักษ์ไปเยอะพูดถึงผลพูดที่เป็นเนื้อน า, นามุนสังข ค, คุณพูดถึงคุณของพระสงค์ แต่อาจารย์งเยือนท่านพูดทั้งเหตุเหตุที่ท่านทำที่ท่านทําแป๊บเดียวและท่านก็ได้อันก็ได้ผลอย่างนั้นเราฟังรู้ว่าอาจารย์งเยือนทั้งเทพทีไรเมื่อไหร่ท่านไม่ทิ้งท่านจะพูดอย่างเนี้ยบางทีก็มีหลักทฤษฎีกับอีกเดียวข็้างบางทีก็ไม่มีอย่างนั้นพอเสด็ท่านจะเอาทฤษฎีมาเต็มที่ การที่มีทฤษฎีไปไปใช้ด้วยมันเป็นการไปใช้หลักทําให้ผู้ฟังเข้าใจถ้าเราพูดไปลอยๆโดยที่เราไม่ไม่มีหลักเนี่ยคนฟังจับไม่ได้ยึดไม่ได้ให้ตั้งใจนะตัใงใจเริ่มตัง้งต้นตั้งแต่ตอนนี้เลยภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ นาโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมบุตัสนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมบุตตสนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมบุตัสนะิตัสสะ ธรรมโษสาธุจิตตังดันตังสุข้าวหั่งปูชาจะปูชานิยานังเอตัมมังกรมุตมมันตีสังอารมณ์กับบริกรรไปพร้อมเลยพุโทโธพุโทโธ ให้สะดวกสบายกับอารมณ์อะไรก็ให้เราใช้อารมณ์เหล่านั้นถือว่าเป็นอีกวาระหนึ่งที่เรางานให้ผ่านชนะเพื่อรับอารรับธรรมขึ้นชื่อว่าอัร์ธรรมเนี่ยหมายถึงความหมายความหมายของเนื้อหาของคำพูดคำพูดคือเสียงที่พูดออกไปมันจะมีเนื้อหามันเป็นอัร์เป็นธรรมของมันแต่อย่าลืมว่าเนื้อหาของอาร์ของธรรมที่จะไปโปร่งว้ใจของใครของใครนั้น จะไม่ค่อยจะเหมือนกันหรอกจิตนิสัยยากจิตนิสัยละเอียดจิตจิตนิสัยที่ลอ ย, ลอยฟังไร้รู้เรื่องอัดรรมันก็จะไปไปปรากฏตามตามกำลังของจิงตตรงนั้นเลยบางคนมีฐานไว้ดีแล้วอัดถส า, าระอะไรก็มันก็ไปปรากฏชัดเจนทำให้เข้าใจธรรมะเนื้อหาของธรรมะได้ดีอัถกสาระสิ่งที่ไปพร้อมกับเสียง ที่เรียกว่าสาระสาระของธรรมสาระของธรรมเราไม่ต้องมากําหนดในคําเทศธรรมพูดก็ได้ให้ตั้งใจภาวนาพุโทโธพุธโทโธให้สติกําหนดจดจ่ออยู่กับอารมณ์ปัจจุบันไม่ส่งไปข้างหน้าไม่ส่งไปข้างหลังอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันพราะพุโทโธนี้มันเป็นพุโทโธแบบอย่างเข้ามาแบบอย่างก็คือเป็นวิธีการที่ที่ครูบ า, า, าอาจารย์ท่านนำมาฝึก มาบอกมาสอนให้พกเราทําและงานนี้เป็นงานของใจต้องการทําให้ใจได้รับความสนุกก่อนที่เราจะรู้เรื่องอ่านเรื่องทนั้นใจเราจะต้องสงบยิ่งเราจะเข้าไปรู้สัจจะทำให้เห็นแจ้งในอั น, นิีจักทุกขังอนัตตาจนเกิดเป็นปัญญาเจอจนเกิดเป็นปัญญายาด้วยแล้วต้องอาศัยความสงบเป็นพื้นเป็นบาบเป็นฐานเบื้องต้นเรา เอาใจให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวทำลายอารมณ์ที่เป็นรูปอารมณ์อารมณ์ที่เป็นรูปที่เป็นเสียงมันมาในลักษณะของสัญญาสัญญาที่เป็นรูปสัญญาที่เป็นเสียงเป็นกริ่นเป็นรถเป็นสัมผัสฉจแล้วปัญหาสรารพัดที่อยู่ในหัวใจของเราของท่านแต่ละคนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันปลดปล่อยทิ้งให้หมนเราตั้งใจป ล, ปลดปล่อยเฉยๆมันปล่อยไม่ได้อก เราต้องมีงานทํางานก็คืองานนี้งานบริกรรมให้ลูกตาถ้าจะเน้นเน้นมากไม่ให้ทิ้งคําบริกรรมให้ทิ้งคําบริกรรมคําบริกรรมก็ ค, คือคำที่พูดซ้ําๆพูดแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ถือว่าเป็นการยกจิตของเรามันเป็นการหยุดประกายให้กับสติกักบปัญญาในใจของเราพุโทโธพุโทโธพุทโธแล้วก็ประคอพุโทโธแล้วประคอ พุทโธประคองดึงจิตให้อยู่กับอารมณ์เดียวจิตเราจะได้สงบจิตจะสงบได้ด้วยงานเราหางานให้เขาทำนี่แหละงานนี่แหละจะทำให้จิตของเราได้รับความสงบผลรายได้เข้าสู่หัวใจของเราได้เร็วผลรายได้เข้าสู่หัวใจได้เร็วได้รับความเอ่ออิ่มได้รับความสงบได้รับปีติได้รับความสุขในหัวใจของเราได้เร็ว และสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นเป็นบาบเป็นฐานให้กับจิตจิตใจนิสัยของเราสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดอย่าลืมว่าคนที่จะเกิดปัญญาสถามถะกับวิปัสสนามันจะต้องเพื่อกคู่มกันเรื่อแรกแเราก็เอาปัญญามานานาันนําพิจารณัเออย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ได้ผลต้องมัดจิตให้มันอยู่ให้มันอยู่กับสมถะสมถาคืออยู่กับอารมณ์เดียว แยกมาพูดเฉยๆฉะนั้นแหละสมถะธรรมวิปัสนาเวลามันเกิดเกิดที่ใจเราเดียวเราแยกมาพูดเฉยๆดีไม่ดีเราไปไล่สับแสงอย่างนู้นอย่างนี้ด้วยแล้วทําให้เราม ง, งกับสับกับแสงเหล่านั้นให้มันมีความรู้ปัจจุบันอยู่ในจิตของเราพุโทโธรักประครพุโทโธมันเป็นการดำมริตมันเป็นทิตกพุโทโธพุโทโธ ให้มีสติกำกับให้มันตื่นรู้อยู่นี่แหละตราบใดที่สติกำกับจิตดวงนี้จิตดวงนี้จะเด่นจิตดวงนี้จะชัดมันเกิดความรู้สึกอยู่กับจุดจุดเดียวที่ท่าเรียกว่าพุทโธพุทโธลองหายใจเข้ากำกับด้วยพุทลองหายใจออกกำกับด้วยโธให้มันยาวยาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธทำจนเราปล่อยได้ คำว่าปล่อยได้ไหมายความว่าให้มันพูดโทพูดโทโดยอัตโนมัติของมันโดยที่เราไม่ต้องบังคับนั่นแสดงว่ามันเริ่มได้ผลแล้วมันจะเริ่มมีกรรกอรากกอร่วงกอรันให้กับความสงบ ข, ของใจแล้วพุดโธพุดโทสิ่งอะไรที่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการที่เราจะฝึกฝนอบรมศีลธรรมเข้าสู่วัวใจของเราแล้วก็ได้ผลได้รับความสุขเร็วที่สุดคือวิธีนี้ วิธีสมถะวิธีวิปัสนาอย่างอื่นบางทีเราพยถามไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรส่งผลให้เป็นที่ทังปกทันใจของเราเลยแต่มันทําตามวิธีการที่พุทธเจ้าท่านใ ห, ให้เราหาความสุขกับความสงบเนี่ยสลบได้เร็วสุขได้เร็วและมันเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เลยนะเป็นความสุขที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ยังไง บริสุทธิ์มันไม่ต้องไปข้องไว้กับรูปกับเสียงกับเด่นกับรถกับสัมผัสว่ารูปนั้นดีรูปนั้นไม่ดีเสียงดิีเสียงนั้นดีเสียงนั้นไม่ดีเรื่องนั้นดีเรื่องนั้นไม่ดีตัดทิ้งให้หมดเราพยายามสร้างสร้างราคากี่นัดให้กับจิตของเราอย่างนี้เมื่อจิตของเราจะเริ่มสงบเมื่อจิตของเราเริ่มเสงบสงบจิตของเราเริ่มมีป่ามีฐานสิ่งําคัญที่สุดที่เราทําไม่ไปหน้ามาหลังเพราะว่าเราไม่มีหลัง เราไม่มีพื้นมีบาทมีฐานอย่าลืมว่าจิตของเราสงบนั้น่ะคือกามสงบ ก, กามคุณก็คือรูปเสียงอยิงริยาบถตถาคนั่นแหะคือกามคุณไอสิ่งสิ่งเรานี้เป็นรูปสมุอนของตัณหาทั้งนั้นของตัณหาคือความดิ้นรนความทยานอยากตัวตัณหาตัวนี้เลยมันเป็นตัวหัวฝีมันเป็นตัวเพาะเชื้อของพบของชาติกลับไม่รู้จกจบไม่รู้จักสิ้น ตราปลายที่ยังมันยังดียดยิ่นอยู่ในหัวใจของเรามันจะดึงจิตของเราไปยุ่งกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสจิตสงบหมายความว่าตัณหาตอนนี้มันสงบหมายความว่าการปรุงนึกคิดเรื่องการมมาคุณทั้งหลายสงบจิตที่สงบสนับจากการมเป็นจิตที่มีความสําคัญมากการที่เราจะพัฒนาจิตเราให้พยายให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนั้น จะต้องเอาจิต ด, ดึงจิตให้มันออกจากการรมเหล่านี้ทั้งหมดดึงด้วยวิธีอื่นไม่ได้ดึงได้ด้วยวิธีทําให้จิตได้รับความสงบสงบอย่างหนึ่งคือสมถะสงบอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้สติวิปัสสนาเมื่อคือท่านท่านฟังอาจารย์เรียท่านพูดนะท่านว่าท่านชราสติวิปัสสนาสติวิปัสสนาสติวิปัสสนาก็คือหลักมาสติปัฏฐานนั่นเอง แท้ที่จริงหลักมาหาสติปัฏฐานนั่นแหละมันเป็นวิธีรวมที่ยิ่งใหญ่มากพุทธเจ้าท่านจึงส่งเปรเียบเทียบ ว, ว่ามาหาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมนั้นนะถ้าจะเทียบกับเท้าสัตว์เท่ากับรอยเท้าของชา้างใหญ่กว่าเท้าบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายทั้งปวงสัตว์เป็นวัวเป็นควายเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไ ร, ะไรกันแล้วรอยเท้าจะเล็กกว่ารอยเท้าของชา้างรวมลงในรอยเท้าของชา้างทั้งหมด เพราะฉะนั้นทั้งสมถะทั้งวิปัสนารวมลงในมหาสติปัฏฐานทั้งนั้นเราไปดูในสติมหาสติปัฏฐานสูงมีทุกอย่างอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องกายเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องอสุภะอสุพังเกี่ยวกับเรื่องวาช้าอะไรแต่ไรเราไปดูมีอยู่ในนั้นหมดพิจารณากาย กายที่เราน้อมใส่ในหลักมาสฐิติปฐานที่เราพลอยได้ก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่าลืมว่าลมหายใจนี่เป็นเรื่องของกายนะมาสัมผัสกายลมหายใจเข้าเราก็ดํานิกด้วยคำว่าพุทธลมหายใจออกเราดำํำดิกด้วยคำว่าโธขอให้จิตมันอยู่กับอารมณ์เหล่านี้จิตของเราจะทิ้งอารมณ์กรมยิ่งใหญ่มากการที่จิตของเราทิ้งอารมณ์กรรมได้ เดี๋ยวนี้การทั้งหลายมันทําให้จิตเรายุ่งว้าวุ่นขุ่นมัวแต่กับเรื่งของกาลมันเป็นลูกสงมมของตัณหาตัณหามันพาดีพาที่หนหัวใจครับไหนสุดทาให้เราหมุนตามมันหมุนไม่ทางจนว้าวุ่นขุ่นมัวจนคลั่มจนเครียดคลั่มเคร่งจนเครียดบางคนเป็นโรคเป็นบ้าเป็นประสาทไปเลยก็มีพานึ้อพาคิดพาปรุงนั่นคือพิษสงของกา่าล แท้ที่จริงถ้าเราปล่อยเราย่อนให้มันเราไม่มีวิธีปฏิบัติให้กับมันยิ่งเราไปนั่งเสริมมันด้วยแล้วมันก็เราเสริมใส่เชื้อให้กับไฟคือตัณหาตัณหามันจะมาเกาะกินัวใจของเรานี่คือเราตั้งใจภาหนาใจได้รับความสนุกในความสนุกนั้นมีความสุขเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่มีความสุขหรือยิ่งไปกว่ามันไม่ใช่ความสุขจากการ สมหวังสุขเกิดจากสุขเวญนาเนี่ยสุขจากความสมหวังสุขเกิดจากการพอใจประสบผลสําเร็ จ, จอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้สุขจากกามทั้งหลายไม่โดดดิน้นในหัวใจของเรามีความสุขมากเรามาดูความสุขที่ชาวโลกเราแสวบงหาแต่ละวันแต่ละวันเราดินเราเราสวบงหา รวมลงแล้วคือสแสวงหากามนั่นเองสแสวงหาที่อยู่หาอะไรไปทำที่อยู่สแสวงหาที่สิ่งที่เป็นอาหารสิ่งที่เป็นข้าวปลาอาหาร่านะสิ่งรดับไปนุ่งไปหงคือปัจจัยทั้งสิ่เนี่ยเราก็สแสวงหารวมไปถึงงานการทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีกันทำงานยากทำงานง่ายทำงานใกล้ทำงานไกลทาทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อได้ลาบมา เพได้ยอดมาเพื่อได้เกียรติมาราบยศเกียรติเหล่านี้มีมาเอาไว้ทําไมมีมาเพื่อความสุขความสุขเหล่านี้ที่เราสแสดงหาบางครั้งก็ประสบผลสำเร็จบางครั้งก็ไม่ประสบผลสาเร็จหรือได้มาแล้วมันก็ตกอยู่ในห่วงของโลกโลกธรรมโลกธรรมได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็เสียไปบางครั้งทำให้เกียตเรามีความสุขเป็นการเป็นแบบเดี๋ยวดึงทุกปีแล้วอืเดี๋ยวสารเสด็เดี๋ยวกระดิ่งานนีน่คือโลกธรรม การที่เราศึกษาโลกธรรมให้เข้าใจให้รู้เรื่องก็เป็นเรื่องดีถ้าเราไม่รู้เรื่องได้มาแล้วไม่คิดถึงเสียไปได้สิน Hindu. เพราะมันมีการได้มาเดี๋ยวมันก็ต้องเสียไปถ้าเราเข้าใจเรื่องโลกกธรรมเราจะต้องคิดในแง่ตรงกันข้ามอ๋อได้มาเดี๋ยวมันก็เสียไปอ๋อคราวนี้มีความสุขมีความรื่นเริงเพลิดเพลินเดี๋ยว อ, อ, อ, อารมณ์ของความทุกข์มันก็มาทับทบหัวใจของเรา คือจะมีได้อย่างเดียวไม่มีเสียก็ไม่ได้มีแต่เสียอย่างเดียวไม่มีได้ก็ไม่ไม่ใช่นี่คือความเป็ น, ปนไปของวัตถุปัจจัยทั้งหลายที่เราแสวงหาประจําโลกของเราบางครั้งประสบผลสำเร็จบางครั้งไม่ประสบผลสําเร็จแต่วิธีหาความสุขเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแน่นอนมัน่นคงทิ้งอารมณ์กรรมมรรคทั้งหลายเหล่านะั้นทิ้งให้หมดอยู่กับอารมณ์เดียวได้รับความสงบได้รับความสุขเร็วมาก ในขณะที่เรานั่งสังเทศอยู่เนี้ยครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงเราพยายามตั้งสติกำหนดจดจ่อโร่กากับจิตให้มันอยู่เนี่ยเราให้ความสุขอย่างรวดเร็วไม่จําเป็นต้องข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีเหมือนอย่างที่เราเสบียหาสินเหล่านั้นสินเรานั้นเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวเสียไปโอ้ยเดือนนี้ขาดทุน ใกล้จะล้มละายแล้วตายแล้วสิทุกมีแต่ทุกข์กับทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านส่งให้ความสําคัญของเราส่งสําคัญให้ที่ความสุขท่านไม่ได้ให้ความสําคัญที่ลาบที่ยศที่เกียรติที่เสริเสริญที่อะไรตัวอะไรท่านไม่ได้ให้ความสําคัญเหล่านั้นท่านให้ความสําคัญที่ความสุขลาบยศสรสิเสริญเหล่านั้นถ้าเราได้มาในทางที่ไม่ดีมีความสุขไหมไม่มีความสุขเลย ยิ่งคนไม่รู้จักเลือกเลยแล้วเนี่ยอะไรพอได้อำอะไรพอได้อามดสักหน่อยหนึ่งเจอก้างเลยเดี๋ยวว่าบาดคอขวางคอแล้วทุกทั้หลาัล้งปวงตามมานี่คือคนไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ไม่ได้ศึกษาพฤิรกรรมขังตัวเองถูกตัญหามันหนึ่งไปใช้สอยกับอะไรบ้างก็ไม่รู้สักหน่อยนึง่งผลมันตามทันเรื่องเหตุกับผลนี่มันมาด้วยกันอย่าไปคิดว่าตั้งใจทาแต่เหตุแล้วไม่อยากให้ผลไม่มีดอก ทำเหตุที่ไหนผลก็มีที่นั่นเพราะเหตุกับผลมันมาด้วยกันเราตั้งใจทำทำหิดเดี๋ยวผลก็ตามมาบางอย่างให้ประสบความสุขความสมหังบางอย่างไม่ประสบความสุขความสมบัแท้ที่จริงคนไม่ต้องถึงพร้อมด้วยลาวหรือยศ ด, ด้วยเกียรติก็ตาแต่สามารถหาความสุขได้เรามายกตัวอย่างตัว อ, อย่างนักบวชเราเนี่ยนักบวช เ, เราคือพวกที่อยู่วัดน่ะ อุบาจาระเนรเนีย่ยพะเนนไม่ชีแม่ขาวแ ม, ม่ดำแม่ด่างอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยู่วันเนี่ยเราแสวงหาความสุขอีกระดับหนึ่งไม่ใช่ความสุขเหมือนที่ชาวบ้านแสวงหาแต่ถ้าหากเราแอบแฝงมาอแอบแฝงมาตั้งใจทำเพื่อ ให้เกิดชอบให้เกิดลาให้เกิดได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการจับเป็นการเข้าใจที่ผิดเป็นการจับเป็นการเข้าใจที่ผิดฉะออย่างบางคนก็ไปฟังครูบาอาายพูดเพื่อที่มาจับเลขจับบัด จ, จับเบอรจับอะไรนี่ถือว่าเป็นการเอาพระศาสนามาใช้อย่างผิดผิดที่แท้จริงที่มนันเป็นอภัยมุขอยู่แล้วใครทําได้ก็ทําใครทําไม่ได้ ทานก็ไม่ได้สารสื่ออะไรถ้าเลิกได้ก็ยิ่งดีเพราะมันเป็นเหตุให้เราว้าวุ่นเลิกได้ยังไงในเมื่อเราได้อยู่ได้กินกับสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเป็นต้องอยู่อย่างใช้ปัญญาใช้ปัญญาปัญญาถ้าหากเราใช้บ่อยๆปัญญาเกี่ยวกับโลกปัญญาเกี่ยวกับธรรมมันก็จะทําให้เราฉลาดเข้าใจเรื่อยๆแต่ปัญญาโดยธรรมนั่นแหละเวลาเราสร้างอย่าง เกิดความสงบและเกิดปัญญาพิจาครณาไข้กวนด้วยเหตุไรจิตของเราเป็นอิสระจะทําให้เราเห็นเหตุเห็นปัจจัยได้ชัดเจนกว่ามะชัดเจนกว่าสิ่งที่เราจะปรุงได้ไ ง, ง่ายๆคือความสุขเหมือนอย่างที่เราพยายามสงบตั้งแต่เราเริ่มนั่งฟังมาแล้วบริกรรมใจของเราจะเริ่มสงบคอย ใ, ใจมันยู่นั้นแหละใจมันไม่สับสนวุ่นวายกับอารมณ์ ต้นมเข้ามาตนมเข้ามาตนมเข้าม า, ร, มารวมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามารวมสติรวมสัพพัญญะสติสัพพัญญะรวมกันแล้วเป็นพลังเป็นปัญญาเป็นสมาธิเป็นศีลในตัวเป็นสมาธิในตัวเป็นปัญญาในตัวค่อยเราตั้งหตั้งใจทำอย่าลืมว่าจิตสงบนะมีปัญญาพื้นพืในตัวนะ ไม่ใช่สมบอกมันหัวต่อไม่ใช่สมาธิที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นสัมมาสมาธิมีสติอยู่ในนั้นมีปัญญาอยู่ในนั้นสติต้องมาเป็นอันดับแรกต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเราพยายามตั้งใจเจริญสมถถิจสงบก็มมตาเมเจริญวิปัสสนาเพื่อปัญญาก็ตามถ้าเร า, าขาดสติทีไรเมื่อไรตั้หามาแทกเข้ามาแล้วขาดสติทีไรเมื่อไหรตั้หามาแทรกเข้ามาแล้ว ตัณหาคือพลังดั้นเดิมของธรรมชาติตัณหามันมากับอะไรมากับจิตของเราคือผู้รู้ผู้รู้ของเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่กับการบริชาติไหนเรารู้ไม่ได้อันนี้เราพยายามพูดแล้วก็ตั้งหลักตรงนี้ให้เราพยายามถอยเข้าไปูที่ไปที่มาของผู้รู้ของเราด้วยเหตุที่เราไม่รู้จักที่ไปที่มาของผู้รู้คือใจของเราที่ไปที่มาของกายของเราที่ไปที่มาของจิตของเรา ไม่เห็นที่เราไม่รู้เราก็สเปนสะปักจับหลักไม่ถูกจับหลักไม่ถูกจะลืมว่าผู้รู้ของเราเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหรเราก็ไม่ทราบแต่มันเกิดมาแล้วมันเป็นวัตถูกดิบมันมีพลังความอยากตามาด้วยการอาบัติเกิดของขีดนั้นอุบัติเกิดด้วยอำนาจของสังขารมีหลายๆสิ่งห ล, ลายอย่างประกอบกันเป็นปอสังขารสังขารฝ่ายนามธรรม สังขารฝ่ารูปธรรมก็คือดินน้ำลมไฟที่เป็นอัตภาพพระรางทายของเราเมื่อคืนเราฟังเทศนหลวงพ่อสวัสดท่านพยายามพูดในแง่ว่าให้พวกเราโอปนายกโกน้อมเข้ามาน้อเข้ามาน้อมเข้ามาน้อเข้ามา <c oughs> <c oughs> ถ้าก็เปรียบเทียบให้โอปนายกโง่ <c oughs> ดินน้ำลมไฟเวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณรวมไปแล้วเป็นแปดนี่แหละมัดเป็ด ท่พูดลักษณะนี้เขาเรียกว่าผู้รักษาวัดน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาแท้ที่จริงที่ท่านพูดอย่างนั้นเนี่ยผู้ธรรมะทั้งหลายทั้งอวนทุกบททุ ก, บ, ททกบาทของธรรมะต้องน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาที่กายของเราเ้อะน้อมเข้ามาที่ใจของเราถ้าเราไม่น้อมมาที่กายเราเราไปน้อมมาที่ใจของเราสติสัมปชัญญะของเราเนี่ยก็จะถูกเลิศเลือกันลนะ น้องเข้ามาที่ใจของเราหมายว่งมีสติกำกับโรู้อยู่เฉพาะใจน้องเข้ามาที่กายของเราหมายความว่ามีสติกำหนดจดจ่อรูอ ย, อยู่เฉพาะกายแท้ที่ยืนเวลาเขาทำงานเขาก็ตะล่อมเปน็นอานเดียวกันเหมือนอย่างขันตั้งห้าเวลาเขาทำงานแช็กเดี๋ยวเขาทำงานตะล่อมรวมกันหมดจะว่ารูปอย่างเดียวก็ไม่ใช่จะว่าน้ําอย่างเดียวก็ไม่ใช่ต ล, وم, ล่อมรวมหลอมรวมทำด้วยกันทั้งหมด ที่ไปที่มาของนามธรรมของเราคือผู้รู้ของเราคือจิตของเรานั่นแหละมนุษย์เราเป็นเป็นเป็นสังขารเป็นปอสังขารที่เป็นรูปแล้วก็เป็นนามเป็นสังขารที่มีใจรองเป็นสังขารที่มีวิญญาณรองวิญญาณนี่แหละมันพัฒนามาตั้งแต่เมื่อไห ร, ร่ก็ับพ่ลู้พัฒนามาไม่รู้จากหยกไม่รู้จากซิมมันเป็นวัตถดุดิบ เรามาพิจารณาดูพระพุทเจ้าของเราท่านอุปัติมาเพื่อที่จะมาพัฒนาสิ่งเหล่านี้นะ่ยมาพยายามปรับปรุงแก้ไขพยายามแยกคิดของพระองค์ให้บริสุทธิ์ในที่สุดพระองค์ก็แยกได้แต่ต้องพิจารณาต้องสืบต้องสอบต้องบำเพ็ญบา ร, รมีมาด้วยไม่ใช่มาตั้งตั้งใหญ่แยกเฉย เ, ยเยหมือนอย่างพระพุทเจ้าของเราเต้องบำเพ็ญบา ร, รมีถึงสี่อสงขาริเศษมหากับเต็มได้ สียอสอไขนับไม่ได้สี่ครั้งสี่คนแล้วก็แสนมหากัรปอายุระยะเวลาเนิ้นนานสักเท่าไหร่องทรงบำเพ็ญมารนเต็มเปลี่ยงเพราะฉะนั้นเวลาโงรมีความต้องการสอบสวนเราว่าอะไรเป็นเหตุให้เราเกิดเราตายกันแน่นะด้วยบารมิที่สร้างมาหวังจะพามวลมนุษย์ชาติของเราเนีพ้นจากกองทุกกองโทษในวัตรัสสงสาม ด้วยบารมีเต็มเปีย่ยมในพระโอมาบัตมาบัตแล้วก็อยู่ครองพระวา่าเป็นเวลาถึงยี่สิบเก้าพระพรรษาแล้วก็ส่งออกพนวดออกพนวดไปบงเพ็ญถูกบงเพ็ญผิดเสียเวลาไปทั้งปีหกพรรษาแต่ก็เป็นการไปทดสอบเป็นการไปทดลองทุกๆลัทธิในสมัยนั้นยุคอินเดียยุคนั้นมันเป็นยุคที่เขาตื่นรู้ เกี่ยวกับเรื่องความสุขความทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆโปร่งจะต้องมาบัดในทวีปอย่างนั้นคือชมคูทวีปที่อื่นไม่ไปออบัตอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ไม่ไปเพราะพวกนั้นไม่ได้ขวนขวายไม่ได้สนใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์แต่พวกนี้ก็สนใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีการออกบวชออกบำเพ็ญเป็นเพื่อสีชีพกายอยู่ในป่าเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเล็งแล้วเล็งพ่อเล็งแม่เล็งตระกูล แร็งทวีปที่จะมาบัดเล็งอายุของสัตว์เพืที่จะมาบัดพระพุทธเจ้าทรงเล็งเสร็จแล้วเสร็จแล้วลงมางบัดเห็นไหมพระงงองค์ทรงออกบงเพ็ญเป็นเวลาถึงสองปีงงงงมั น, นเป็นทุกข์บำเพ็นผิดอัตกระมถานโยพระองค์ก็ทรงไปทรมานที่จะการมาสังฆาลการนโยก็คือสมัยที่พระองค์ยังไม่ได้ออกบวทก็อยู่ด้วยกัน การมาสุขานิการโยบบมรุนบังเรือตนด้วยกามสารพัดก็ไม่ใช่ทางออกไปบำเพ็ญอธิการิยมัถฐา น, นโย ก, ก็ไม่ใช่ทางแต่ว่ า, ายุคนั้นฤาษีก็มีวิธีบำเพ็ญปฏิบัติทําให้จิตได้รับความสงบได้รูปปัสมาบัติ้รูปปัสมาบัติพระองค์ก็ได้ไ ป, ไปบำเพ็ญกับอารารเดาบุตได้สมาบัติเจ็ดไปบำเพ็ญกับอุทกดาบตได้สมาบัติแป ธรระสมาบัติสมาบัติในท่นี้คือลำดับความสงบของใจใจสงบมากพิจารณาสิ่งที่ไม่ใช่รูปเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอรูปสมจับัตินั่นคือจิตที่ฝึกฝนอบรมได้จิตได้รับความสงบแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชมีอวิชชาพิญญาดำบินบินบนได้ในสมัยนั้นสมัยนั้นแต่อุทก ด, อกดาบดัลาระดาบดก็ออกไปจากโลกจากวัฏฏะสงสารไปได้เพราะไม่ได้สร้างบา ร, รมีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านวิญญอุษาบำเพ็ญ เกื อ, อดทั้งชีวิตกว่าจะได้รู ป, ปรสมาบัติอรู ป, ปัสมารติอยู่นั้นก็มีกันเยอะนะรู ป, ปรสมารัปิรู ป, ปรสมาบัติเขามีกันเยอะรู้สีอยู่ในป่าในไพรพระพุทธเจ้าท่านทรงไปบำเพ็ญไม่นานจบรู ป, ปรสมาบัติอรู ป, ปรสมาบัติอาจารย์บอกว่าจบแล้วความรู้ที่เราีเรียนไปหมด พุทธเจ้าด้วยเหตุที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อแก้ความทุกข์หนึ่งหัจใกย้อนมาดูความทุกข์หนึ่งหัวใจโอ้ความทุกข์ยังกองเต็มแพร่อยู่ในหัวใจอืไม่ใช่ทุกง่วงทุกใหญ่ทุกวิตกทุกกังวลทุกอะไรแต่ะไรสารพัดเต็มกองเต็มอยู่ในหัวใจไม่ใช่จึงลาอาจารย์ออกไปบงเพ็ญนี่คือวิสัยของพุทธมันเป็นจุดประกายช่วยกระตุ้นช่วยเตือนจริงวันนี้เตือนมาในลําดับตั้งแต่พระองค์ยังเสวยเสวย ระสมบัติอยู่จนออกไปเนี่ยสิ่งลนี้จะกระตุ้นเตือนมาตลอดให้พระองค์ได้ได้ออกบางเพลนได้ออกบังเพลนแล้วก็ออกมางเพล น, น, นกันแล้วช่วยทําผิดทําอะไรทําผิดทําถูกจนมารู้ได้คุณสมบัติที่ขนาดนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนเอียดมหาพระองค์ได้ได้ได้คนผู้คนโทษเหล่านี้ไปทไายในสุโ ป, ปรเลยมามังเพลนเปิดลำพังเห็นไหมเราจะพูดถึงว่า บางเพนอัตกิริมธรรโยคที่พระองค์ทรบางเพนในตาราท่านเขียนเอาไว้นะพระองค์กัดฟันด้วยฟันเอาเอาฟันกัดฟันเฉยๆนะไม่ได้คิดนึกว่าอะไรจะเกิดที่ใจไม่รู้เรื่องเพื่อเพื่อให้มันได้เกิดความรู้โรคที่ใจนี่คือไม่ถูกนะกดลิ้นด้วยเท้ากลั้นลมหายใจไม่ให้ลมหายใจออกท้งปากทางจมูกลมไม่มีที่ออ ก, กออกทางหู ร้อนพระวรกายไปทั้งหมดไม่ใช่ในสื่อไม่ใช่บทขรายาหนบทพระาขาารโอนตั้งแต่บริโภคอิ่มเหมือนอิ่มนำสำราญเหมือ น, นเราเลดไปเรื่อยลดไปเรื่อยลดเรื่อยลดทีละคั้มทีละขั้ม ล, ลดไปเรื่อยจนเหลือหนึ่งเมตรรู้สิกว่าจะถึงหนึ่งเมตรเนี่ยร่างกายอบอกช้ำขนาดไหนเขาพูดถึงพระองค์ทรงทำทุกกระติยาตอนนั้นไม่มีเรี่ยวแรงละไม่มีเรี่ยวแรง เดินไปไหนก็โซซัสโซเซจะล้มแหลไมไปล้มแหลมเอ๊ะน่าจะไม่ใช่ก็เลยดำริว่าจะทําความเพียรทางใจนะดำริว่าจะทําความเพียรทางใจเมื่อก่อนนั้นมีแต่ทรมานกายอย่างเดียวตอนนี้มาดำริจะ ท, ะทะรมานทําความเพียรทางใจก็เลยร่างกายไม่ไหวแล้วต้องหันมาสวยพระพยาหารรับทานสวยข้าวอยาฟูบ้างสวยพวกน้ำนมหัวบ้างอะไรบ้าง ยุคนั้นสมัย น, นั้นที่บรรดาคีตามไปเพื่อที่จะเ อ, เอาเอาความรู้จากพระองค์พอเห็นว่าพระองค์คลายความเพียรอย่างนั้นนะเขาเปล่าเอาว่าพระองค์คลายความเพียรเวียนมาก็เป็นคนมากๆแสดงว่าต้องการจะอดให้ให้ใหใหอดให้ตายงนั้ น, น <c ười> อดให้ต า, ตายได้จะถึงจะได้อ่านได้ทำคือความประสงค์ของเขาพอเห็นพระองค์ทรงมาเฉลยด้วยพระดําริของพระองค์เองเขาก็เลยหมดสดทานแล้วร้องห่มร้องให้ หน <N> ีจากเราไปอยู่นู้นจากตะมนตอุลเวลาเสียนั่นเองผไปอยู่ที่นู่นะเมืองตัะแควนกาสีเขตพารณาณสีเนี่ยที่ปลายสีตะนมามฤตย์ไทยวันไปอยู่ที่นู่นแหละพระพุทธเจ้าท่านก็เลยเปล่าเปลี่ยวไม่มีใครไปยุ่งไปกวนแล้วตอนนีน้ก็เลยมาถึงว่าท่านพูดถึงวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ธรรมนั้นนะที่ว่าตอนเช้าได้รับข้าวทุปย่าเขาหนาสุดชานา นางสัญญ า, านี้ก็มีความตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้ขอใดุกได้บุดหัวปีผู้ชายเมื่อก่อนเมื่อก่อนแต่งงานนั้นขอให้ได้แต่งงานกับสามีที่มีสมบัติเท่าเท่ากัานกับกับตัวเองขงนางนแต่ก็เลยสงสางหมดก็เลยได้ระยะเวลาก็เลยไปไปบวงสรวงเทวดาไปบวงสรวงเทวดาในหูข้าวมาทุกปลายา้าวมาทุแปลว่าน้ำผึ้งนะ มะทุกแล ว, วันน้ำผึ้งข้าวที่หุงด้วยน้ำผึ้งไปถวายผู้ดิเจ้าวปรินานคนใช้เข้าไปเห็นที่พระพู้ดิจจ้าเป็นเทวดาโอ้แม่เจ้าเทวดาคอยอยู่แล้วรัศมีเ ป, ปล่งปลั่งแท้ที่จริงพระพู้ดิจจ้าในตานานท่านพูดเอาไว้ว่าบรรรัศมีของพระองค์เปล่งปลั่งสองวาระวาระแรกคือวันจันทั์สรุอีกวาระหนึ่งก็คือวันจักปรินิพาน รัสมีภายในพระวรกายของพระเปลงปลั่งผ่องใสด้วยรัสมีบางั้นแต่เนี่ยคนใช้ไปเห็นก็เลยที่เป็นอกนางสุชาดารีบจัดข้าวพุทุปาาตไปไปถวายพระพุทธเจ้าสำคัญว่าเป็นเป็นเทพเจ้ารก็เลยบาบบรรดาให้บาทหายเลยดูหนา้ารับแล้วพระเจ้าไปไว้ที่ไหนนางก็เลยถวายทั้งถาดทองคำพระองค์รับแลวพระองค์ก็สร ง, ร ง, รงปันป้นปันป้นปั้นได้สี่สิบเก้าก้อน แล้วก็ดำเลินไปที่ฝั่งแม่น้ําในรัญชาราพู้นั้กลับมาแล้วผู้นั้กลับมาแล้วพระองค์ก็ไปเสวยพระพระิญญาหารมัทุปายาติที่ฝั่งแม่น้ําในรัญชาราเสวยจนหมด49กสิบเส้าก้อแสดงว่าที่ฐานลอยถาดถ้าบรารมีจะได้บรรลุปเป็นพระสัมมาสามัมพุทธะขอให้ถาดใบ น, นี้ลอยทวนกระแสน้ำํำพระเรดชวัตรตั้งสัจจาที่ฐานตั้งสัจจาที่ฐาน ทานก็ลอยทวนกระแสน้ําถ้าเป็นพวกเราเราแบบวยโดดโลดเต้นดีใจสมหวังแน่สมหวังแน่ <c oughs> แต่พระองค์เต็มเปลี่ยนหมดแล้นแหละความอิ่มเอิบภายในรยพระทัยของพระองค์เนี่ยเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วแหละเป็นผู้ที่เต็มเปลี่ยนแล้วทานลอยทวนกระแสน้ําแล้วก็ไปจมลงในที่ที่เดียวตามทำงานท่านพูดถึงไปก็ไปซ้อนกับถานในเับเนี้ยที่พระตะคุสันโธ โคนาขมโนกัดสโปเนี่ยไปซอนอยู่ข้างล่างนันนะดังแท้ที่ท่านพูดถึงว่ากาลนาคนาดนอนเฝ้าอยู่ตรงนั้นเนะี่ยตื่นขึ้นม า, ารู้ด้วยนะว่าดังแท้เขาตื่นขึ้นมาครูพระริจ้าเมาไว้แล้วเมือ่อวานก็เามาอุบัตนเะหวันนี้ม า, าป่าดีโอ้โอโอโนอนหลับเป็นกลับไปงายนาฟังให้ดีนะสัตว์ประงบหลับตอนนี้เป็นพญายนาแน่แน เป็นพยานาคนะฟังธรรมระหลับพยายามปลุกสติให้ตื่นรุ้งเอาเอะไรมาปลุกเอาสติสมัมมชัญญาขุดโถขุดโถขุดโมีผลมากมีอ น, นิสงส์มากในใจของเรามีความสุขอันนี้แหละคือ ok อนุสน์ของชีวิตของเรา ท, าทั้งอกตั้งใจทาไปเทอะอันนี้แหละ ok คือคุณสมบัติของมนุษย์ที่แทจ้จริงใครขาดคุณสมบัติเหล่านี้แล้วโอ ดีไม่ดีเหลือไม่เท่าเดิมตกกระป๋องแล้วเหลือไม่เท่าเดิมะบางทีตายไปโอค้คุณสมบัติเหลือไม่เท่าเดิมแล้วไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วขาดเกรดขาดดีกรีโอประหยาดอย่างน้อยๆมาเกิดเป็นสัตว์เลี้ยฉันได้เกิดร่วมโลกมนุษย์ดีไม่ดีต่ำลงไปกว่านั้นนะ่ะ เ, เป็นปเปรต เ, เป็นอสุรกายเป็นอะไรจะ อ, อะไรนี่คือเหลือไม่เท่าเดิมนี่ก็ น, าน่ราระวังกัน ดยเหตุที่เราทํางานพิเศษอย่างนี้จะทําให้เราเพิ่มคุณสมบัติให้กับใจของเราไม่มีใครรที่ไม่อยากได้ความสุขเพราะคนเห็นโทกของความทุกข์แต่ด้วยเหตุด้วยเหตุที่เราทําอะไรตามความชอบใจตามความต้องการของใจนั่นแหละทำให้เราตไม่จากเลือกจักพิจารณาก่อนที่จะประกอบพฤติกรรมใบๆลงไปไม่เคยใช้ปัญญาเลยอยากยังไงก็ทำอยากยังไงก็ทำอยากยังไงก็ทํา ตั้หามันกระสิบกระซาบชี้ไหลมอไห่ก็ทํารู้สึกมันเยอะล้มเลยเพราอได้ยังไงก็ทําเพราอได้ยังไงก็ทําเพอได้ยังไงก็ทํ า, ทพาทเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามทุกโทษเต็มแปร่ในหัวใจเหลือไม่เท่าเดิมไม่ได้เป็นมนุษย์อีกแล้วนี่ระวังให้ดีความทุกข์ในหัวใจไม่มีใครแม้หนึ่งเดียวที่ไม่ต้องการเอาความทุกข์เหล่านี้ออกได้เพราะฉะนั้นาศนาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอุ ป, ปัตตมาท่ากลางท่ากลางพา ดวงวิญญาณของสัตว์ให้พ้นทุกผลโทษในวัฏจักสองสามไปได้จนลงหลับลงไม้ลงมือสร้างบารมีบารมีของพุทธเจ้าสามสิบทัศน์เหาฤทธิแบ่งเป็นสามระดับทานอุปบารมีทานบารมีทานปุปตบารมีทานปรมัตตบารมีคือพูดง่ายๆว่า้านอะไรเพื้นๆธรรมดาบารมีเพื้นๆธรรมดาทานอ่าทานเพื่อนๆธรรมดา บารมีมันเป็นธรรมะขปปารมีปารมัตาบารมีปรมารมัตาบารมีขปป า, าร ม, ารมีหมายความว่าให้เอวัยวะเป็นฐานมีราพูดถึงฐานนะให้อาไว้ว่าเป็นฐานเราได้ยินอยู่ว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาเสียสละดไตให้แก่กันแล้วกันสามีไตไว้ทั้งสองข้างภรรยาไตดีทั้งสองข้างเสียสละให้กับสามีข้างหนึ่งตัว เ, เองเหลือข้างหนึ่ง สภาพร่างกายของเราไตเหลือข้างหนึ่งเอาชีวพอยู่ได้นะมีชีวิตรอดอยู่ได้อยู่เย็นเป็นสุขได้ก็เลยเลยให้หมอเอาไปใส่ให้สามีข้างหนึ่งก็เลยมีชีวิตอยู่ด้วยกันได้นี่คือบุ ค, คู่คลคู่บันมีในยุคเราเนี่เราพอจะได้ยินได้ฟังเราพอจะมองเห็นแต่ว่าพระธรรมับพระบิเนี่ยเสียสละชีวิตเป็นฐานเราพูดถึงทางเสียสละชีวิตเป็นฐานในยุคเราเนี่เราไม่เห็น เราเห็นแต่ตามทํางานสมัยพระพุทธเจ้าทัศน์เป็นบารมีเช่นอย่าโประเป็นกระต่ายสัตว์สสีหรือสัตว์กระต่ายสัตว์บัณฑิตโดดเข้ากองไฟโดดเข้ากองไฟให้เป็นอาหารหรือสีในป่านี่คือให้ชีวิตเป็นฐานบารมีอันนี้ต้องเป็นบารมีของพุท ธ, ธสร้างบารมีเพื่อความเป็นพุท ธ, ธอีกนั้นหนึ่งก็คือสมัยโปรดเป็นเรืสีเป็นตาสดอยู่ในป่า เนดาบดอยู่ในปาเห็นเสือแม่ลูกก่อนกาลังจะกินลูกของตัวเองเพราะเสือมันอดอยากมันหิวกำลังจะกินลูกของมันดาบดนี้ก็โดดเข้าไปต่อหน้าเสือให้เสือจับกินซะอย่างไม่น้อยก็ได้ช่วยลูกมันไปช่วดสักระแห น, น่นี่คืออุปบารมีและก็ปรมัตบารมีแต่พวกเราปรารถนาเป็นสามโกนั้นเราไม่ต้องปรารถนาถึงขนาดนี้ รู้ทีเจ้าท่านต้อ ง, งเปลี่ยนถึงขนาดที่น้ำม่ั้นไม่ได้ขอให้ได้ขอให้ได้เอาชีวิตแรกพระองค์ก็หย่อนก็รู้เท่าให้ชีวิตเป็นทานโดยเฉพาะอย่างพระชาติใกล้ๆที่เขาเอาาทานบารมีธรรมดาธรรมาให้มัดสีเป็นทานให้ชาลีขันหาเป็นทานให้เมืองเป็นทานให้ช้างให้ม้าเป็นทานพระองค์ทำได้แต่พวกเราบางคนก็ชอบชอบมาขัดแย้งอัดแย้โ้ พระเป็นสัตวอนไม่สงสารลูกไม่สงสารเมียไม่มีความเมตตาสงสารต่อลูกกับเมียโดยเอาเอาเอ า, เอาใจท่านมาใส่ใจเราเราต้องเอาใจเราไปใส่ใจท่านเราทําได้เหมือนท่านไหมเราทําไม่ได้เหมือนท่านหรอก mm hmm. นั่นเป็นวิสัยของพุทธเป็นวิสัยของพุทธต้องทําอย่างนั้นทำแต่ละครั้งให้ชะลีกัญหาเป็นฐานให้มัชฌีเป็นฐานรวมทั้งให้อะไรอะไรเป็นฐาน ท่านบอกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่าพระองค์จำเนรแต่พระโพธิญาณพระองค์รักยิ่งกว่าพระองค์ให้พระองค์รักยิ่งกว่ า, วาถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มาช่วยเสริมบา ร, รมีให้เต็มบา ร, รมีก็เต็มได้ยะเพราะฉะนั้นอย่างนางพิมพาเนี่ยเป็นคู่บา ร, รมีนะันมายช่วยเสริมมันมาทุกระยะทุกภพทุกชาติที่เรียว่าคู่บา ร, รมีคู่บา ร, รมีอันนี้เราบกมาถึงสามีภรรยาเราเขาแล้วกันนะอา่า ใครมีสามีใครมีภรรยานให้เราคิดใหม่นะให้เราคิดว่าโอ้นี่คือคู่ปรมีญาเนะีนี่ไม่ใช่คู่บังรุงบังเรอเรานะนี่เป็นคู่ปริญญาเราสุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันสุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันให้ความสําคัญแก่กันและกันมีความเคารพมีความนับถือมีการย่อมย่อ ง, องแก่กันและกัน มีการปรึกษางานหนักงานเบางานเล็กงานน้อยงานใหญ่งานย่อยซึ่งกันและ ก, กันให้ความสําคัญแก่กันและ ก, กันมีความเคารพมีความยำเกรงสามีเคาพรพรยำเกรงภรยาภรยาเคารพยำเกรงสามีร่วมไปถึงญาติพ่อแม่พี่น้องทั้งฝ่ายสามีทั้งฝ่ายภรยาการเคารพนับถือกันนี่เขาเรียกว่าคู่บารมีมีความสุขแน่นอนแต่ถ้าหากเราเห็นว่า แค่เป็นโคบังเรอธนตีมันเป็นการเปิดช่องให้กับกิเลสตัณหาใน ง, ง่ายง่ายเรื่องของตัณหานี่มันกินไม่ญาณไม่พอมากยิ่กว่าน้ำในมหาส ม, ม, มุทรยิ่กว่าทะเลนัดทีตัณหาสมานทิความอยากเสนอโ ด, ดยตัณหาไม่มีนัดทีตัณหาสมานทิถ้าว่ามากมายิ่งกว่าน้าในมหาส ม, ม, มุทรอะไรตัณหาในหัวใจของเรามากคือขนาด น, นั้นเลยถ้าเราไม่มีสิ่งเกี่ยวกับศีลกับธรรมมาเกี่ยวข้องเลย แต่ละขณะจิตของเรามันเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นเลยตัณหามแสดงออกมาทั้งนั้นเลยนี่คือตัณหาตัณหาคือพลังที่มันมากับธาตุรู้ของเรามากับใจของเราธาตุที่ไม่บริสุทธิ์รวมกับธาตุรู้สองอย่างนี้รวมกันเป็นกองสังขารขึ้นชื่อว่ากองสังขารแล้วไม่เคยมีสังขารใดอยู่เท่าเดิม สังขารคือสิ่งประกอบกันตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปรูปธรรมเราก็คือสิ่งปรุงสิ่งประกอบตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปเขาเรียกว่าก่อสังขารรูปแล้วก็ก่อสังขาร น, นามแต่จิตของพรนะอรหันต์นั้นจิตของพระอริยสาวกนะั้นท่านไม่เรียกสังขาร น, นะท่านพ้นจากสังขารไปแล้วเพราะท่านเอาอวิชชาตังหะออกไปจากพระไถ่แล้วเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียว รู้หนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นพบชาติมันจริงไม่มีพบชาติมันจริงหมดนี่คือวิธีการที่พระองค์มาสร้างราวีเพื่อตอกก่อนเพื่อที่จะหาช่องทางเล็ดลอดพาพวกเราออกไปได้ในสุดพระองทรงทร ง, ทรงประสบผลสำเร็จประสบผลสำเร็จในวันนั้นที่ว่าไปเสเวยพระข้ามทุกปรยยาิเสร็จแล้วกลับมาบำเพ็ญที่ที่ต้นโพนะในคืนนั้นแหละโดยเหตุที่พระองค์ทรง รูปปัสมาาปาฏิอรมณ์ปสมปาติแล้วในขณะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่นั้นเหมือนกับการใช้เริ่มใช้ปัญญาตลอดตั้งแต่วรรคข่<ม>ําพิจนาอาณาปานาสติลมกํำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกทัานพูดเอาไว้ว่าตั้งแต่พลบค่่มหัวข่ําเหมือนกับว่าคืนนั้นตั้งคืนพระองค์นั่งตั้งแต่ยังไม่มืดจนถึงสว่างเป็นเหตุให้พระองค์ได้บรรลุอรหันต์เป็นเป็นพระโพมาสัมภิตริย์ในมั่นปลายในปัฏฉิมญาณ ในพฐยามก่ อ, อนเรียบถึงเต็มพฐยามพระองค์ก็เริ่มชนะพญามาตนะั้งแต่วงคำ่ำเห็นไหมพญามาไปกล่าวตู่ในตำนานกล่าวว่าพระองค์เดินกลับไปที่ต้นโพธได้รับยาคาเป็ดกำใน ป, ปูหรือเป็นเป็ดบรรลังล่าปูเป็นบรร ล, ล, ลังนั้นอีกในหนึ่งท่านพูดว่าท่านท่านท่านมีว่าพระองค์อธิษฐานใะห้เกิดวัชระบรรลังพัชระบรรลังถ้า เรามีบุญญาบารมีจะได้บรรลุพระสมาสัมภูร์ทีอย่างขอให้วัชระบัณฑ์ปรากฏขึ้นวัชระบรณังจึงปรากฏขึ้นพยา ม, มารกลุ้พระพุทธเจ้าจะเลี่ยนนอออกไปจากอำนาจของตัวเองก็ไปพยายามไปขัดขวางนีคือพยายามารท้าวัสวดีมานี่แหละเวลามารไปพยจุนพระพุทธเจ้าเนี่ยเทวดาทั้งหลายทั้งหปวงที่ไปหอบร้องพระพุทธเจ้าหนีไปเจอไปเจอไปหมดเพราะท้าวัสวัฎีมันเป็นหัวหน้าของเ ท, งทวดาแต่มันจะเป็นพยายามมาร สร้างบารมีอยู่แต่เป็นสร้างบารมีเหมือนสร้างบารมีเพื่อเป็นพยัมานะอย่าลืมว่าการสร้างบารมีมีสองอย่างหนึ่งสร้างบารมีเพื่อเป็นพยัญานะนี่เอาหมดดีชั่วเอาหมดรัวจะพูดถึงรัวร้อยเป็นร้อยล้านแสนล้านพันล้านหมื่นล้านขอได้ขอได้แต่เพื่ออำนาจอำนาจชี้ขาดสังฆ่าสั่งประหารสั่งประหารสังอะไรอะไรได้หมนี่คือสร้างมากเพื่อความเป็นพยัญานะ แต่สร้างบารมีเพื่อเป็นพุทธทาสนั่นน่ะตรงกันข้าวไม่เคยสร้างความเกลียดเราให้กับใครมีแต่ช่วยกับช่วยช่วยกับช่วยมเมตตาเต็มพร้อมกรุณาพุทิตาปกขาเต็มพร้อมนี่บารมีเพื่อความเป็นพุทธทเพราะฉะนั้นท้าวสัพพดีมานจึงเอาพระพุทธเจ้ามาอยู่เพราะพุทธเจ้าท่านเต็มเปี่ยมแล้วชนะท้าวสัพพดีมานในสุดตอนหลังเนี่ยทราบว่ า, าท้าวสัพพดีมานเนี่ยต้องเปลี่ยนการสร้างบารมีใหม่ ขอให้เดินขอยได้เดินตามพระพุทธเจ้านั่นแะเปลี่ยนจากพรมมีพยามานมาเป็นเดินตามหลังพุทธเจา้าเป็นบารมีพุทธะเพราะบารมีพยายามา น, มนไปไม่ได้ทะลุไม่ได้แต่บารมีเพื่อความเป็นพุทธะนี่ทะลุได้ทําไมถึงทะลุไม่ได้เพราะความเสียสละมากมายมหาศาลอันนี้สมบุรณบารมีเหล่านี้สามารถช่วยได้แต่ก็มันไม่ธรรมดาเสียสองไข่แสนมหมากับพระราุูซิ เกิดตายเกิดตายเกิดตายท่านพูดถึงว่าสมัยพระพุทธเจ้าไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อที่จะให้พระพุทธมารดาของท่านที่ไปเป็นเท้าลูกศิษย์มาฟังเทศที่ชั้นดาวดึงเป็นเหตุให้เราสงสัยว่าทําไมพระพุทธเจ้าไม่ไม่ขึ้นไปจนถึงสวรรค์ชั้นหลูกศิษถ้าพระพุทธเจ้าไปเทศบนสวรรค์ชั้นลูกศิษย์พวกเทวดาที่ชั้นดาวดึงมันขึ้นไปก็ได้เสียเละเสียประโยชน์เพราะงั้นจักเสียประโยชน์ พระยาตประโขไปยักยักอยู่ที่ชั้นดาวดึงให้พระอินทร์ไปเชิญพระราชบิดาแต่ไปเป็นไปเป็นผู้ชายนะไปปัจจุบันยอยู่สวรรค์ชั้นอุศินัึนให้มาฟังเทศตลอดตลอดฤดูตลอดตลอดหน้าฝนนั่นะเทศอภิธรรมตลอดหน้าฝ น, น, นวันที่พราเสด็จลงมามันตักบะเทวโรฮานัเนแหละที่พวกเราถือเป็นขนมตำ เ, เนียมประเพณีเราเก็ลงมา วันนั้นเป็นวันอัศจรรย์นะเกิดมีฤทิมีเดชด้วยพุทธานุภาพบรรดาให้สัตว์นรอเอ่ยบรรดาให้โลกมนุษย์เอ่ยบรรดาให้โลกสวรรค์เอ่ยต่างคนต่างเห็นกันเทวดาบนสวรรค์กับมนุษย์กับสัจนรกดสัจนรอกำมองเห็นโลกมนุษย์มองเห็นเทวดาเทวดาก็มองเห็นมองเห็นโลกมนุษย์มองเห็นพวกโลกยมโลก โลกศาสนาโลกต่างคนต่า ง, งมองเห็นเหตุกากั น, เ, กนเห็นความอาศัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเขาว่าสักเกือบทุกๆทุกจวโคเลยนะเห็นความอาศัศจรรย์อย่างนั้นแ ล, ล้วเนี่ยตั้งปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าตั้งนานเลยแบบนั้นนะเห็นความยิ่งใหญ่เลยอยากเป็นพระพุทธเจ้าแบบนั้นนะแต่มันก็เท่ากับเขาโคเขาโคนี่ยังมากไปนะเขาโคกับขนโคถือตั้งความปรารถนาไดง่ายอยู่แต่ทำไปไม่จะลอดดอก ทำไมไมันตลอดแบบเดี๋ยวลานะเดี๋ยวเลิกแล้วไปง่ายๆเธอวะทุกอยา่างลำบากหลวงปู่สาวหลวงปู่มันเขาเราเหมือนกันนะหลวงปู่สาวท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกนะพระปัจเจกก็คือพุทธธรรมกันนะพระปัจเจกเนะี่ยหลวงปู่หลวงปู่มันปรารถนาเป็นพุทธธมในช่วงที่ท่านบำเพ็ญนั่นแหละเวลาบำเพ็ญขยับละเอียดนึกเข้าไปแล้วับมีบารมีเรานี่มาขวางมีบารมีเรานี่มาขวาง หลวงปู่มั่งเลิกเลิกได้ก่อนแล้วไปถามหลวงปูเสาวหลวงู่สาวก็เลยเลิกตามหลังจากท่านเลิกบารมีเหล่านี้แล้วขอให้เป็นแค่พุทธสาวกเถอะเพราะว่าระยะเวลายาวเหลือเกินวัฏฏสงสารยืดยาวเหลือเกินน่ะไม่ไหวแล้วขอให้หลุดพ้นไปกัเอาแล้วแหละเลยเลิกหลังจากเลิกมาแล้วไม่มีอะไรขัดข้องเลยทีนี้พอไปถึงทรงนั้นพุ่งทะลุไปเลยพุ่งทะลุไปเลย หลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นท่านจึงมีพระจิตเห็นไหมวิชาความรู้หล่ะนี้มันเป็นวิชาความรู้ของพุทธะนะพระจิตรู้จิตถ้าเผื่อท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ท่านจะเห็นจิตของเราทําอะไรกันอคนนั้นออกไปนั้นก็มีออกไปนี้คนนั้นสงบคนนั้นตั้งใจคนนั้นไม่ตั้งใจคนนั้นนั่งกรุ่นั่งกุง้นนี่ท่าจะมองเห็นหมดแต่เห็นแล้วก็ไม่เป็นเรื่องอาศาาัศจรรย์แปลกปรออาดอัศาจารรย์อะไรเพราะเป็นเรื่องธรรมดามองท่านและระยะหลัง ท, ท่านไม่เอามายใช้เลยนะ หลังจากไปใช้กับน้องตาองค์นั้นแล้วนียหลังจากนั้นมาท่านไม่นามาใช้เลยจะใช้ในคราวที่จําเป็นจริงๆนี่ถ้าพูดถึงน้องตาที่น้องตาทะเขียนประวัติน้องตาหาบัวท่านเขียนประวัติว่าน้องตาองคหนึ่งที่อยู่ที่ตีนท้ำสาริกาเนี่ยนะหนะลวงปู่ ม, มั่นอยู่ข้างบนอยู่ที่ถ้ำสาริกาทีนี้ท่านก็บังเกิดทั้งคืนเนพราะดึกๆท่านก็นย่อนจิตย่อนกระแสจิตลงมาที่นอนะงตานั้นน้องตานั่งประมุ่น ร่างปรุงเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องรูปเรื่องหัวเรื่องมีเรื่องอะไรสำหรับวันทั้งคืนหลวปู่มันเห็นหมดพรุงอะไรคิดอะไรนึกอะไรเห็นหมดเห็นลงตาที่จะ อ, อยู่ข้างหลังวันนั้นพอลงมาบินตะบะตอนชตเช้าปริมาทพักหลงตาเป็นไงลงตา <c ười> คิดถึงบ้านถึงช่องถึงอะไรเนี่ยแต่งงานกับแม่ไอ้หนูคนเกา่าเป็นไงห <c ười> ลวงปู่มันมาทักโอ้ลงตาอันนั้นเนี่ยกลัว ตายเลยว่างั้นเกือบสลบตายหลวงปู่มันมาถามนะโอ้อยู่วันสองวันมาหลวงตาเปิดแล้วไม่กล้ายอยู่แล้วลกูบอกหลวปู่มัน่นอยู่ไม่ได้แล้วเราไม่อยู่แล้หลวงตาทนานามาเขียนในในในประวัติเลยว่าจากนั้นมาท่านเลยประวัโตโเแทนที่จะเกิดคุณเลยเกิดโทษนะแทนที่จะเกิดคุณเลยเกิดโทษเพราะฉะนั้นท่านมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดา แต่พวกเราท่าแป๊บเข้ามาน่โอ้ยคุยจนปากแตกปากแฉะปากเปียบ <c oughs> ต้องระวังให้ดีเหมือนกันต้องระวังให้ดีเหมือนกันอันนี้คือบารมีของพุทธะท่านสามารถรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้มีพระพุทธทิพย์้าท่งสร้างบารมีอ่าที่พวกจงทรงชนะพยายามมาท้าวสวดิมานั่นแหละพระทรงชนะพยายามาเขาก็พยายามเอานู้นมาขวางเอานี่มาขวางขวา ง, วา ง, วางไม่อยู่นะ วาระสุดท้ายตูกับพูติเจ้าว่านี่วัชระบัลลังก์ของเรานี่พยานของเราเต็มไปหมดเนี่ยเนี่นี่วัชระบัลลังก์ของเราท่านจงลุกออกให้เราเดี๋ยวนี้ภุติเจ้าจะบอกวัชระบัลลังก์นี้เป็นของเราเกิดขึ้นด้วยบุญญามารมีของเราไหนไหนพยานของท่านไหนไปจักพยานของท่านในสุปนานธรณีโผล่ขึ้นมา น, นานี่แหละอีชั้นนี่แหละเป็นไปจักเป็นพยานแค่หยาดน้ําที่ยวลงหยาดลงเหนือพื้นปัจจพีก็ติดอยู่จีบมวยผมนิดหน่อย กลายเป็นว่านาเนี่ยเอามยวยผ ม, มวาบีบน้ำกลายเป็นน้ำไหลทะลักคึ้นมาทับทั่วพยามาทายขุนพลเราก็ฟังไว้เป็นข้ออุปมาจากนั้นแล้วท่านก็พอสี่ทุ่มท่านก็ได้ยานอันเพนวาสนันสติยาเห็นพบชาติของเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิด ต, ตายไม่มีที่จกไม่มีที่จ บ, จบแล้วลึกไปขนาดก็ไม่มีที่จ บ, จบโอ้มันจะเกิดตายเกิดตายเหน้องหน้าเบื่อหน้าไหนมาเกิดเนาะ พยายามทำกลางตั้งแต่4ี่ทุ่มไปจนถึงตีสอก็ได้พยายามทำกลางมัดชิมยามเห็นภพชาติของสัตว์เกิดตายเกิดตายเกิดตายด้วยบุญด้วยกรรมกรรมนั้นทําให้เกิดมาเกิดเป็นนี้กรรมนี้ไปเกิดเป็นนั้นทําให้กรรมนันาเกิดเป็นนี้เกื้อู้นอย่างนั้นไม่จบเท่าไหร่ก็ไม่จบพระองค์เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเหมือนพระองค์อยู่ทำกลางท่ํากลางทางสี่แพรกมองไปทางไหนเห็นหมดเห็นทุกบุตรหมดนี่คือปัญญาปรามีของพระองค์ ยาณนะตอนนั้นนะเป็นพระยาะณ์ภูเพนบาสามสาติยาณ์ตูประปาตยาณนีน่ฉันพูดถึงยาณสุดท้ายอ่าปัจฉิมยาณตั้งแต่ตีสองไปจนถึงสว่างเป็นเหตุได้ผลมึอยู่อย่างนั้นแหละไม่จบไม่ชิ้นมัเบื่อไหนในภพในชาติเรื่อเกอิดอะไรถ้าเกิดป้าตายเราก็เกิดก็ตายซัดทั้งหล้ยก็เกิดตายเกิดตายอะไรเป็นเหตุได้เกิดให้ตายมาเนี่ยโดยเหตุที่พระจิตของพระโอรสละเอียดถึงขนาดนั้นนะั่นเอามาทาํางานยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะ มันไม่เหมือนจิตของเราเพระเราดึงมาใส่พระุทโธก็โดยได้ไม่พอห้าคาไปแล้วฮ <c oughs> นะไปไมันรู้กี่นาทีก็มัรู้แล้วปัจะุบเข้ า, ามาอีกพุโทโธพุทธได้ไม่พอสิบคำเนี่ยไปอีกแล้ว <c oughs> เราลึกได้ตั้งแต่สิบขนาดจิตเนี่ยสิบขนาดจิตมันุดออกหลุดออกไปแล้วเรามาคิดถึงเรามาคิดถึงจิตของเราเนี่ย โดยเห็นที่เราพยายามตัง้งกตั้งใจอา้าวขยับไปเองแล้วเก้ขาขณะจิตไปแล้วโดวยเหตุที่เราตั้งอกตั้งใจไม่ถอยได้เจขณะจิตได้หขณะจิตหขณะจิตสองขณะจิตเนสองสามขณะจิตถือว่ายัางพอต่อสู้กันหมายความว่ามั น, ม, นมันทันสติของเราเริ่มดีสมรจัญญของเราเริ่มดีสมาธิของเราเริ่มดีหมายว่าเราทันทันต่ออนานาจของตัณหาที่มันจะบดขยี้จิตของเราไปใช้แต่ปัญญาไม่ไปไหเลย พระปจิจของพระองค์รูปปัสมาปรูปปัสมะบัดเอาพระจิตดวงนั้นมาใช้ใช่ยังไงอยู่อย่างนั้นใช้ยังไงที่อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมัดปัจฉิมญาพระองค์เอาความรู้ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานี่แหละไปหมุนทำความเข้าใจในภพในชาติของพระองค์ไปหมุนอยูอย่างนั้นแหละอ่าแล้วก็ไม่มีใครไปเรียงตำราไปเรียงทฤษฎีให้พระองค์ได้เรียนได้ศึกษาไม่มีไม่มีเหมือนอย่างพวกเรานะ พวกเรามีคุณบาจันมาบอกอาสูนนั้นอย่างนั้นสูตรนี้อย่างนี้ยัาเรียงเรียงลําตันอริ ย, รยสัพสีปฏิจจะสมุปบาทอริยมริโยแปดมีภูติยาท่านสอนไว้แล้วแต่สมัยพระองค์ไม่มีใครรณีให้พระองค์อาศัยพระจิตของพระองค์นี่แหละโดยสัพยุตติยานพระองค์แผ่เอาไปแผ่เผามาแผ่เผาใหมา่ด้วยตปัดธรรมอาศัยตะปัดธรรมแผ่เผาอยู่อย่างนี้ไหนสุด ตัณหาภายในพระไถ่ของมันเหือดไปมันแห้งไปหายไปหมดเลี่ยงเปล่าในขันธสันดานพระองค์จนนี่ได้พระองค์ปัดฉิมยามพระองค์ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยเราถ้าเราไม่ย้อนมาตรงนี้เราก็ขาดหลถ้าเราไม่ย้อนมาถึงผู้ดีเจ้าตรงนี้เราก็ขาดเพราะแม้เราทุกคนทุกท่านเราก็ต้องการเหนท่านทําไมเราจะทําได้เหมือนท่านอเราฟังครูบายาตรงนั้นก็เอานั้นนี่นั้นมาพูดฟังตรงนี้ก็เอแง่้นี้มาพูดฟัง เราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ทํายังไงอะมันเหลือบาปกว่าใดที่เราจะต้องจัดต้องทําแต่ก็สูงสักความอุตสาหะยายามะในดอกสั่งสมอบรมเข้าไว้เถอะนี่ในปัจฉิมยาพระพุทธเจ้าต้นได้มรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาทรามพระองค์ยอนมาดูว่ากิเลสตัณหาที่เคยกองอยู่เต็มหัวใจของพระองค์หายเกลี้ยงเก่าไปไหนหมดก็ไม่รู้เกลี้ยงเก่าหมดจดอ่า เลี้ยงเราไม่มีกองทุกกองทัเท่าไม่ถินไม่สายอยู่ในพระทัยของพระองค์ทำให้เรุทานเออพอใจละพอใจละเป็นเหตุให้พระองค์เย้ยตั้หาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแหละตั้งหาไม่สามารถจะมาทําบ้านทําเรือนหมายความว่าไะสร้างพบสร้างชาติให้พระองค์ได้อีกแล้วแหละภพบชาติของพระองค์สิ้นแล้วพระองค์เลยทรงเป่งพระพุทธภาษิตอันนี้กัญชาที่สร้างสาร้างสั่งท้งสา ส, ง ส, าสังอันนี้อันนี้กัญชา ในสังสารวัฏอันเนี้ทําให้โปรเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายตอนนี้หมดสิ่งจะปรุงแต่งภบชาให้โปรอีกแล้วเห็นหน้าเห็นตามหมดแล้วที่เคยปรุงบ้าปรุงช่องปรุงอะไรเห็นหน้าเห็นตาของกิเลสตัญหาหมดแล้วหมายกว่าว่าอาวิชาที่ปิดบังพระไทยของโปรกลายเป็นวิชาหมดทั้งดวงพระจิตของโปรสว่างโร่หมดทั้งดวงเมื่อก่กอนสว่างบางมืดบางสว่างบ้างมืดบ้างสวา่า ง, า ง, ส, าาง ส, าสิ่งหนึ่ง อ, อ, อีกสี่งหนึ่งนำสว่างสองส่วนเหลือสองส่วนสว่างสมส่วนเหลือหนึ่งส่วนนี่คือเราเปรียบเราเปรียบเทียบตอนนี้สว่างรูทั้งหมดเลยกบถูกเท่าเม็ดหินเม็ดสาไม่มีไม่มีในใจของท่านเรามาเที่ยว ก, กับที่ลงตาทางพูดออกไปลงตานี่ท่านในบรนลุกทําตั้งแต่อายุ36ปีนะตั้งแต่อายุสาสหนะลงตานะ ตั้งแต่วิถีวินาทีนั้นมาจนวันสุดท้ายท่านความทุกข์เท่าเม็ดหินเม็ดสายไม่เคยพรากฏในใจของท่านเลย <c oughs> กับความทุกข์ในหัวใจของเราเรามาเทียกบกันดูที่คนละรอบไปเลยแต่นั่นแหละเราได้ยินได้ฟังแล้วไม่มีใครที่จะไม่อยากได้อย่างดีอยา่อยางมีอย่างเป็นเพราะฉะนั้นเราฝังไว้เป็นคุยหมายป้ายทางเอาไว้วิธีการที่เราจะจัดการก็คือไม่เกินวิธีนี้วิธีที่พุทธเจ้าทั้งสอนคือ หลักปัญญามักมีองค์แปสรุปลงมาแล้วคือเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องศีลเราต้องรักษาทานเนี่ยเราฝากคนอื่นทําก็ได้แต่เรื่องศีลพอเราตั้งใจรักษาศีลปั๊บอย่างศีลแปดเนี่ยใครจะรู้ได้ว่าตัวเองรักษาได้ละเอียดไม่ละเอียดพอเราเริ่มรักษาปั๊บเราต้องวิรักต้องมดต้องเว้นอ่ามันมีข้อปฏิบัติการที่เราตั้งใจรักษาศีลปั๊บ มีข้อปฏิบัติคนหนึ่งเป็นอย่างนั้นข้อสข้อสาเป็นอย่างนั้นไป็นยิ่งเราถึงสินแบกเนี่ยแล้วเนี่ยเออเราถือได้สองสองวันสามวันนับเยี่ยมเลยสีนแบไม่ให้เกี่ยวข้องเลยสามีภรรยาเกี่ยวข้องกันไม่ได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดพระมาจไม่ไม่ผิดพระมาจไม่เกี่ยวข้องผู้หญิงไม่เกี่ยวข้องพยาภยานี่เกี่ยวข้องผู้หงแม้สามีภรรยาเกี่ยวข้องกันไมได้เห็นไหมยิ่งใหญ่ไหม พุทธิยถาให้ความสําคัญไหมเรื่องเหล่านี้ไม่ให้ความสําคัญเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างพระ น, นันธาพุทธิยถาให้ความสําคัญไหมแต่งงานกันสดๆร้อนๆเนี่ยยังไม่ได้แตะต้องอะไรกันเลยเนี่ยพุทธิยถาให้ไปส่งปากที่นิโครธารานันธาก็ปุ้มปากตามพระพุทธิยถาไปนี่มันพุทธิย้ามาเสวยพระภรรย า, ารในวันวันที่แต่งงานกำลังชนกะบรรยา น, นี้แต่งงานเสร็จพุทธิยถาให้ปุ้มปากกาไปส่ง ดเดินนตามเราไปเธอไปคิดไปเอ๊เราหันมาที่อะไรเมื่อไรกับยื่นให้เราจะกลับยื่นให้เราจะกลับคิดถึงทาจงจนรถกระกยา น, นีเต็มทีแล้วกุฏิยังไม่หันกลับไปจนถึงนิโครทาราถามเลยท่านนั้นท่านจะบวชหรือตายแล้วทาํามยังไงก็ไปถามไมหนฮะท่านให้ความสําคัญไหมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกามาคุณทั้งหลายท่านไม่ให้ความสําคัญเลยถึงข่าวที่ท่านตีน้ำท่ามืตีหนา ตีหนาเต่าเลยนะเอาตอนที่เหล็กร้อนนั่นแหละเตยตรง น, นั้นเลยนันทักเลยเอพระเจ้าข้ายอมบวชบวชพระพารเฉยใจไม่ได้บวชบวชไปแล้วก็ภาวนาก็ไม่ได้เป็นไงนันทักภาวนาวภาวน า, ว า, วนาวไม่ได้พระเจ้าข้าคิดถึงนังชนบทกระยาณีจิตมันติดรูปของหนางชนบทกระยาณีนี่คือกรรมมาคุณยิ่งเรื่องกรรมราคะนี่แหละเลยยิงย่งใหญ่มากวัตถุของใช้ทั้งหลายทั้งปวงเป็นวัตถุกามทั้งหลายหนูยังไม่สําคัญเท่ากับกรรมราคะ เพราะอันนี้เป็นยอดการระวางไม่ดีใครเสียสละเราเสียอย่านี้ได้ถือสินแบกได้เยีย่ยมเยี่ยมมากยิ่งใหญ่มากไม่ใช่เเล็กน้อยนะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากพุทธิยาแม่เราสําคัญพูทธิยเอานางท่ามาเป็นตัวอย่างในพุทธิาทยามท่านมีอุบายเลยท่านโดยสรุปบุกรงกันเออไปไปไ ป, ไปเราจะพาไปุนนางฟ้ามนสวรรค์พานางท่ไปบนนางฟ้าบนสวรรค์ ที่ว่านางฟ้าจะสวยที่สุดเพราะงั้นตัดดีอุบายวิธีของพระพุทธเจ้าล่อนานทะก่อนที่จะถึงนางฟ้าชั้นพื้นๆธรรมดาเนี่ยบันดาลเห็นนางลิงพานางลิงไปนะไปเห็นเทวดาชั้นพื้นๆธรรมด า, ลาลเป็นไง น, นะางทาสวยไหมงามมากพระเจ้าอ่ะงามมากงามมากเอ้าแล้วชนบท ก, กระยาณีพวกเธอเป็นไงโอ้เหมือนนางลิงเปเจ้าวขา่าแมใจมันถอนมาแล้วนะใจถอนมาแล้วนี่คือใจของมนุษย์ที่มีกิเลสในหัวใจมันไม่เคยมีอะไรยั่งยืนหรอกถอนมาแล้ว เราพูดถึงอุปมาที่นักธรรมาเทศเดียวกันเรื่องนั้นทา่านเราไม่ต้องดูดอกพวกเรามีนู้นก็มีนี้มีนี้แลกมีนั้นมีนั้นก็มี น, ม น, ม น, กกมนี่มันไม่ใช่เรื่องแปลดแต่ถ้าตั้งใจหมดตั้งใจทนเราทําได้นะในสุดก็เป็นนางฟ้าชันนา้นนั้นแต่งงามชั้นนั้นแตงงามขึ้นไปยิ่งสูงละเอียดไปจนแบบยิ่งงามเป็นแค่นั้นทักอย่างได้ไหมอยากได้อยากได้เป็นเจ้าค่ะเจ้ า, านางฟ้า เออถ้าอยากให้ลงนี้ไปให้เธอตั้งใจภาวนานะเราจะเอาให้นันทากลิ่มจิ้มยอดจะได้นันฟ้าแล้วตอนนี้พอลงมาแล้วนละตั้งใจภาวนาตั้งใจเดิมจมกรมนั่งตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาพระเมรุทั้งหลายก็ แ, แปลกใจเอานันทางมาก่อนเนี่ยภาวนามไม่ได้ภาวนามไม่ได้คิดถึงจะนาชนบทกเรยา น, นี่แต่ตอนนี้ทำไมานันท์ตั้งใจภาวนานดีเหลือเกินหลังจากพุทธเจ้าพาขึ้นไปเที่ยวดูนันฟากลับลงมาเลยข่าวมันเล็ดลอดอยอดได้ อ, อนันทาน ตั้งใจภาวนาเพื่ออยากได้หนังฟ้าโอ้คนนั้นก็ซุบซิบคนนี้ก็ซุบซิบนันท์ท่านก็เลยแปลกใจเออเราแปลกเว้ยทาไมเราตั้งใจภาวนาเพื่ออยากได้หนังฟ้ามูฟเพื่อร์เขาภาวนาเพื่อได้มรรคได้ผลได้นิพพานไอ้เราตั้งใจภาวนาเพื่ออยากได้นนังฟ้าแต่ว่านัพวกเราตั้งใจมาภาวนาอยากได้นนังฟ้าเราไม่ดีนะอตั้งใจภาวนาเพื่ออยากได้นนังฟ้า มันท so ่าอายแล้วเกินทีนี่ลายหมู่เพื่อนแล้วเกินคนนั้นก็ซบซิบคนนี้ก็ซบซิบใจมันก็ถอนมาโดยลําดับมันถอนมาโดยลําดับอยู่แล้วจากชั้นนั้นไปอยู่กับเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นสุดท้ายสูงที่สุดก็เลยยิ้มยิ้มย่องในหัวใจว่าจะจะเอาให้ในสุดถูกหมู่เพื่อนพูดจะมีพูดอย่างนั้นซบซิปอย่างนั้นก็เลยเกิดความละอายแก่ใจมากเอ๊ะทาไมเราเป็นอย่างนี้วะในสุดจิตมันก็เลยมารวมอยู่ที่ตัวเอง แท่อยู่นางฟ้าไม่อยู่เลยนะนี่อุบายวิธีของพระพุทธเจ้านะถ้าโดยทะลุโปร่งหมดท่านทำได้หมดใน่สุดนันทะหมดพันท้าถูกพันกับนางฟ้าแนละ้วนางชนบทกระยาลีกมันก็ถอนมาแนละ้วนางฟ้าชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นชนั้นมันก็ถอนมาแล้วถอนมาได้เพราะอะไรเพราะความละอายเห็นไหมความละอายช่วยเราได้ไหมช่วยทําให้เราตั้งใจภาวนาะตั้งใจปรับเปลี่ยในใจดีนะเหมือนอย่างที่เรานั่งเป็นหมู่เนี่ย เราทำไปนั่งคนเดียวแต่พอคืนชั่วโมงไม่ดหน่ายท้องแล้วยิ่งไปนั่งในห้องเยี่ยมเยี่ยมไม่มีใครเห็นเลยละหงายท้องตั้งนานแล้วแต่ได้เห็นที่เรามานั่งด้วยกันเรามีหิริมี อ, อตตปากรรกับนั่งคนหมูพานั่งอย่างนี้ทวนนุวันสามารถนั่งได้อาจจะเหยียดบ้างอะไรบ้างมันก็ยังดีกว่าเรานั่งอยู่คนเดียวนี่ความละอายช่วยเราได้ความละอายคือฮิริ ยิคือความละอายแก่ใจไม่ใช่อายคนนู้นคนนี้นะละอายแก่ใจของตัวเองนี่สําคัญที่สุดถ้ายั ง, งานานอายคําู้นอายคนนี้ไม่ใช่ยังไม่ใช่ต้องอายละอายแก่ใจของตัวเองแล้วก็มีโอตะปะคือความเกรงกลัวเออถ้าเกิดเราระมั่ระวังไม่ได้เราล่วงละเมิดสิ่งนั้นไปล่วงละเมิดสิ่งนี้ไปกลัเรรวเกรงกลัวภัยกลัวกรรมจะตามเล่นงานเรากลัวบากกลัวกรรมในทสุดเกิดความละอายเกิดความเกรงกลัว เป็นเหตให้หนัง่งท่ามาตั้งใจ่าน า, นานได้มนุษย์เป็นพระอาหารหันต์นั้นสรุปลงว่าได้มนุษย์เป็นพระอาหารหันต์เพราะเป่ามหายพระนันทและรวมไปถึงว่าพระยถา ไ, ไม่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องการกขอบคุณทั้งหลายทั้งปวงแต่ศินห้านั้นนะรองค์ทรงอนุญาตเอาไวา้เออมวลมนุษย์เนี่ยเขาอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้แล้วเขาจะต้องมีคู่ครองสามีจะต้องมีภรรยาภรรยาจะต้องมีสามีเป็นคู่ครอง เป็นคู่ครองก็ไม่เป็นไรให้ก็อยู่ด้วยกันซะแต่ขอให้มีศีลห้าไม่ข่าทรัพ์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่ผิดไม่นอกใจสามีสามีไม่นอกใจภรรยาภรรยาไม่นอกใจสามีก็ถือว่าใช้ได้ถึงแม้ว่าเวลาเขาใช้ไฟเกี่ยวกับประกอบการคุณเหล่านั้นถ้าเขาเขาใช้ไฟแต่เขาก็ยังใช้ไฟที่อยู่อยู่ในเตายังใช้ไฟอยู่ในเตาจะไม่เกิดโทษ ไมู่ดเท็พูดอยาพูดสอบเสียลแล้วก็ไม่ดื่มสารอะไรขอให้มีศีลห้าแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติแค่มีศีลห้าแค่นี้สามารถบําเพ็นอามักเอาผลเอานี้ผานได้อะาะอมักเอาผลเอานี้ผ่านได้พยายามาาาาตั้งแต่ศีลห้าไปจนถึงศีลแปดไปจนถึงศีลสิบไปจนถึงศีลสองร้อยี่สบเจ็ดของพระเจ้าประสงค์ศีลสามรอยสิบเอ็ดของพิกษุนีศีลเหล่านี้เป็นศีลที่พุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติมาเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดใครอยู่ ถือสินใดก็ตามขอให้ถือสินให้ปกติให้บริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจทําจิตใหไ้ได้รับความสงบด้วยความสงบแห่งจิต น, นั่นเองสามารถพิจารณาเห็นสัตว์จะทำแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาได้สามารถธรรมะทำผลให้เกิดขึ้นในหัวใจได้อ่าไม่ไม่ได้ไม่ได้จำกัดนิพพานของเราไม่ได้ไม่ได้จำกัดเฉพาะสิี่สิบเจ็ดท่า น, นั้นนะหรือผู้หญิงโดยเฉพาะสิน3า1รเท่า น, นั้นนะไม่ใช่เราครองครัวเรือนนี่แหละ แต่เบื้องต้นพระยลืมเราต้องเอาจิตของเราออกจากกามครอบครัวของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเปรียกว่ากายยังไม่ออกจากกามจิตยังไม่ออกจากกามท่านเปรียบเทียบไปที่ไม้ไ ม, ไม้ไม้สดชุ่มด้วยหยาดและยังแช่อยู่ในน้าไม้ฟ้าว่าเรายังบริโภคกามชุ่มด้วยหยาดและแช่อในนะ้าหมายฟ้าเรายังบริโภคกานะฮะ ตราบใดที่เราตั้งใจเผานาะให้ใจได้รับความสมบูหมายความว่าน้ําไม้นั้นน่ะไม้สดก็ตางชุ่มด้วยยาก็ตางถึงจะไม่แช่อยู่ในนะ้ํามันเอาไปสีเกิดไฟมันก็ยังเกิดได้เพราะไม้มันสดเพราะฉะนั้นเรามีกายยังไม่ออกจากกรรมเรามีจิตยังไม่ออกจากการมถ้าเราจะเทียบกับไ ม, ม้เหมือนกับไม้ไม้สดเอาไปสีเกิดไฟเกิดได้ ย, ยากนี่เราท่านอุ ป, ปมา ก็วิธีสีไม้เกิดไฟอันนี้เราชอบเอามาพูดเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ที่เรามาทําให้ให้พเราเทียบเทียงมาที่ตัวเองได้กันอย่างดีทําไมเราไม่ไปหน้ามาหลังก็เพราะอะไรก็เพราะสิ่งเหล่านี้ทีนี้กายกเรายังไม่ออกจากกามสามีภรรยานนัแหละกายยังไม่ออกจากกามเราอยู่บ้านอยู่ช่องแต่เราสามารถเอาจิตออกจากกามได้ไหมเราสามารถเอาจิตออกจากกามได้เรามางดูวิสาขะเศรษฐีกับนางธรรมธิมนาน วิสาขะเสียถีไปบางประเทศพุทจ้าทุกวันทุกวันทุกวันทอยู่มาไ ด, ไ ด, ดา้ได้พระโสดาบได้พระเกษิษฐาขา่ามีวันหนึ่ง ถ, ถ้าได้เป็นพระอนาคามีอ่าเป็นลําดับที่สามวันันเกิดลําดับที่สามเนี่ยตัดขาดจากกามทั้งหลายทั้งปวงได้พระอนาคามีวันนั้นก็กลับบ้านไปก็ไปบอกยกนุ่นยกนี้ให้กับนางธรรมทิมนาเออเราเคยเกี่ยวข้องไปตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องเกี่ยวข้องกันเลยนะ นางธรรมธินาฟังดูแลสามีท่านเสียทีวันนี้แปลกมากทํายพูดอย่างนี้เลยทราบท่านเสียทีท่านได้มีจิตใจเข้าถึงอัดถ้ำถึงขนาดนั้นระดับนั้นนางก็เลยมปลาปรับใจไม่เอาทรัพย์สม บ, บ, บัติทั้งหลายทั้งปวกที่ท่านสามีแต่ที่ท่านเสียทีให้ไม่เอาเหมือนกเราไปเอาก้อนน้ําลายจากปลายลิ้นะะขอเสียสามีบวชสามีก็จยากให้บวชซะก่อนนางธรรมธินานนกน็ไปบวชเป็นภิกษุนีไปบวชเป็นภิษุนีตั้งใจปฏิบัติ ไม่นาได้เป็นพระราหาร <ML acted> ได้เป็นพระราหารก่อนก่อนท่านเศรษฐีเนี่เราดูถูกกันได้ที่ไหนผู้ชายดูถูกผู้หญิงได้ที่ไหนผู้หญิงดูถูกผู้ชายได้ที่ไหนลงตากันว่าผู้ชายผู้หญิงเป็นเพศเฉยๆใจไม่มีเพศชายไม่มีเพศหญิงแต่เป็นเหตุท so the we ี่เราได้เป็นผู้หญิงเราไปยืดเราเกิดยืดเราผู้หญิงเราผู้หญิงเราผู้หญิงเลยสําคัญประจะของเป็นผู้หญิงไปเกิดเป็นผู้ชายยืดเราเกิดเราผู้ชายเรบผู้ชายเราผชายแต่เราไปยึดเฉยๆ โดยที่แท้จริงจิตผู้รู้ไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงเพราะฉะนั้นสามารถเปลเ่ยนธรรมได้เราดูตอนนางประชาตดีโคตมีไปขอพุทธเจ้าวบวชพระนังท่านฉลาดถามพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าท่านหาแง ม, มต่อรองไม่อยากใผู้หญิงบวชเพราะผู้หญิงเข้าไปคลุกคลีกับผู้ชายแล้วมันทําให้ฟุนไฟกับเรื่องท่านไม่ยางห้มีผู้หญิงบวชแต่ในสุดทนอ้อนบอนกับ พระนอนไม่ได้พระนอนฉลาดท่านท่านท่านฉลาดเอพระองค์ภิกษุณีสามารถทำมรรคทาคนได้ไหมได้นอนยังงั้นพระน้านางของพระองค์เนี่ยเรียยพระองค์มาตั้งแต่นู้นพระนันสีหมามายาขอที่ผมโค้ไปตั้งแต่อายุตั้งแต่เจวันนะรู้หรือเป็นเป็นบุญเป็นคุณเลี้ยพระองคมาตลอดขอพระองค์ได้สมเมตตาพระน้านาด้วยเถิดพระเจ้าทำแบบวางหลักเกณฑ์หนักมากว่างั้นเถอะ ถ้าเราจะเรียกแบบกฎหมายก็อะไรกฎเหล็กกฎเหล็กอินยากอะนั่นแหละท่านทรงวาลคุ่นธรรมเปดประการให้นานประชาบฎิโกตมีนานยประชาบฎิโกตมีว่าจะบริจาคคุณญาท่านนั่นแหละยินดีตั้งใจประพฤติตามกฎตามระเบียบอันนี้ยินดีมากเหมือนชายุงหญิงสาวที่ชำระแล้ก็ประดับปะดาตกแต่งร่างกายสะอาดสะอาดดีแล้วไม่อยากไปเพื่อนจริงสกปรกโสโคร ตั้งใจถือตั้งใจพิปฏิบัติตามกฎตามเกณฑ์อันนี้นสุทยอมครับก็เลยบวชกับพวกนางสาธิยาดีเป็นสนะี่ร้อยห้าร้อยนี่เลยเป็นเรีได้มีภิกษุณีสงฆ์ขึ้นมาดีมีพระผู้หญิงถึงจะไม่บวชเป็นภิกษุณีถือศีลแปถือศีลห้าก็สามารถเข้าถึงมกักเข้าถึงผลได้เรามารู้เพรเราถือศีลห้าก็ตามเราอยู่บ้าน ถึงคราวต้องการภานาให้ใจสงบเราก็อยู่คนละมงหามุมสง บ, บให้กับตัวเองหรือไม่สามีมาวัดมาภาวนาภรรยาอยู่บ้านภรรยาก็ภาวนาอยู่บ้านสามีก็ภาวนาอยู่วัดวันหลังก็ให้ภรรยามาบ้างภรรยาก็ภาวนาอยู่วัดสามีก็ภาวนาอยู่บ้านเพื่อต้องการให้ใจสงบเพราะอย่าลืมว่าใจสงบคือใจใเรื่อมออกจากกรา การคืออะไรคือการพคุณเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสจิตของเรามันไม่ไปไหนหรอกอันนั้นคือกระแสวงจรเข้ามาันรูปเสียงกล่นของผลิภัณฑธรรมารมณ์เรื่องราวปัญหาสา ร, รพัทั้งหลายทั้งปวงจิตของเรามันจิตมันวุ่นว้าวุาว่นอยู่ก็บกับอารมณ์นั้นทเรียกว่าอารมณ์ของการจิตเริ่มสงบจิตจะเริออกจากการเพราะฉะนั้นผู้ที่ดับชีพวายชนไปทั้งๆ ท, ท, ท, ที่จิตทรงฌานอยู่นั้นแหะจะต้องไปเกิดในพรมโลก พระมโลกเขาจะไม่เกี่ยวกับรูปกับเสียงกับเปลี่ยนกับรูกับสบัตวจิตของเราจิตของเขามีความสงบมีความสมุขชุ่มเย็นอยู่ด้วยอารมณ์ของฌานสงบอิม่มอยู่กับอารมณ์เดียวถ้าเผื่เราตั้งใจภาวนาเพื่อให้ได้พระธรรมฌานเราพยายางรักษาอารมณ์ไว้พุทโธพุทโธพุทโธวิตตพุทโธนี่คือวิตตุประคองพุทโธไว้นี่คือวิจาณทําไปทําไปทําไปทําไปทำไ ป, ไปเพราะมันเป็นอาหารใจ เอาธรรมะเข้าสู่ใใหัใจเนี่ยเป็นอาหารของใจใจมันจะเริ่มอิ่มเป็นปีติเป็นความสุขอันเกิดขึ้นจากจิตอยู่กับเราันเดียวนี่ก็ถือว่าได้ปฐมวิชาแล้วจิตได้รับความสงบยังพวกเราเราเนี่ยถ้าเรามาระบูนณ์พันถึงอารมณ์หล่านี้แล้วมันดูเหมือนไม่เหมือนไม่เ ห, เหเลอือปลาปลาเร่พุทโธพุทโธวิตกวิตกวิตกแต่ละครั้งมันเป็นการยกจิตมันเป็นการประคองจิตมันเป็นการพยุงจิต เอาอะไรมาเป็นตัวประคองเอาตัวสติเอาตัวสัมผัสันยัมาเป็นตัวประคองอตัวสติคือตัวที่ทําให้จิตของเราตื่นรู้รู้อยูนน่นั่นตัวสติสติคือความระลึกได้ยักยักยักยักดับไปแล้วก็สัมผัสันยัประคองแล้วเราทำดูพุทโธพุทโธปร ะ, อประคอความรู้สึกนั้นให้มันต่อเนื่องไประหว่างพุทไปถึงโทระหว่างทโทไปถึงพุทธ ไม่ให้มันขาดไม่ใมันขาดความประคองอันนี้วิตกความตึกวิจารณ์ความตรองประคองสังเหนมันจะอิ่มมันจะอิ่มมันเป็นปีปติมันปีติมันมีความอิ่มจิตมีความสงบจิตมีปีติทําไปทำไปทำไ ป, ไปจนจิตมันทิ้งวิตกวิจารณทิ้งวิตกวิจาร์หมายว่าจิตของเราสงบแนบแน่แนละเอียดลึกเข้าไปเรามาเทียบดูตามองเหล่านี้แล้ว ดูไม่เหมือนไม่เหลือบาการายที่เราจะทําได้โดยเศรษฐกิจของเรามีปิติมีความเอออิ่มมันมีความสุขอยู่ในนั้นมันมีความแปลกปลาราดัจจัญญอยู่ในนั้นมันมีความสุขที่เราไม่เคยไม่เคยได้รับความสุขอย่างนี้มาก่อนสุขจากดีใจสุขจากเสียใจสุขจากประสบความสําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เหมือนความสุขจากความสง บ, บของจิตที่มันทิ้งรูปทิ้งเสีย ง, งทิง้งกปลิ่นทิ้งรถทิ้งสัมผัสโดยเหตุที่เราทําให้หยุดไม่หย่อนมันทิ้งได้ ผู้ที่่าตั้งใจบางเพียงท่านตั้งใจบางเพตยมีแล้วศพแล้วได้อามาเจริญเป็นเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นกดเป็นปาฏของวิปัสสนาแล้วก็ได e, ้มากได้ผลไปตามๆกันแล้วถ้าคนจิตของเราทิ้งวิตกทิ้งจากเหลือปีติกับเอกขตาจิตของเราอิ่มเบอร์เราไม่ต้องดำริพุทธโธจิตไม่ไปไหนหละตั้หามาแยกจิตไปไม่ได้จิตมีความสุขเต็มไปหมอย่านั้นอิ่มเบอร์ต้องทำให้ได้รักคามิ่ ยิ้มใจก็มึงกล้าับยิ้มกายยิ้มกายของเราเป็นไงเหมือนอยเราหิวพอเราหิวจิตใจร่างกายของเราก็หิวอมีความหิวมีความไส้ท้องอะไรของเราบีบตัวแสดงอาการหิวเหยียประการจิตของเรามหิวว็เช่นเดียวกันความหิวนั้นะเป็นกิริยาการของตัณหาที่มันแทกเข้ามามาแทรเข้ามาปับทําให้เราหิวหิวอะไรหิวรูปหิวเสียงหิวกปลี่ยนหิวรสหิวสัมผัส รู้เหตุที่เราเอาสียเอาส ม, มาธิยั่งไปกักับจนทิ้งวิตร์นะทิ้งวิจารไปแต่จิตของเราไม่ไปไหนนะจิตของเราอยู่เพราะมันมีอาหารดูดดื่มเนี่ยสำคัญนะสมาธิคือความสมงบสําคัญอย่าไปจำเนียรสมาธินะคนที่จำเนีนสมาธิคือคนไม่รู้เรื่อง mm hmm. อยู่ปีติอยู่กับความสุขอยู่กับเอก ก, ะกะตาเลื่อนก็ไปเอียดอยู่กับความสุขอยู่กับเอกะกะตาเลื่อนก็ไปเอียดไปอยู่กับ อุเบกขากับเอกกัตตาจิตโลอยู่ย่งไม่มีกิริยาอาการนี่คือความสงบละเอียดลเข้าไปถึงขั้นนั้นมันจะลึกขั้นไหนก็ตามก็ขอยมันลึกเข้าไปแต่เวลาเราต้องการทํางานมันจะขยับถอยมาอยู่ในขั้นหวานดำดิงด่งได้เพื่อจะดูให้เห็นอ น, นิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาของโลกธรรมของนามธรรมานี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านให้พวกเราจเจริญเพื่อเอาจิตของเราออกจากทุกข์จากโทษในวัฏฏสงสารไปได้ ทีนี้ท่านมาสรงแสดงเพื่อให้เราเข้าใจหลักของหมาสติแค่จริงเราจะทําวิธีการใดก็ตามเราจะเจริญสมถะก็ตามเราจะเจริญวิปัสสนาก็ตามสติเป็นหนึ่งสติต้องมาก่อนเจริญสมถะถ้าไม่มีสติจิตก็สงบไม่ได้เจริญวิปัสสนาถ้าไม่มีสติตสตสสตวิปัสสนาก็เป็นไปไม่ได้สมาธิก็ไม่มีและเหตุที่จิตของเรามีสติดีสมาธิจึงมี สมาธิแนบแน่แนมั่นคงก็เพราะสติดีเ uh huh. มื่อสติดีสมาธิก็กดีเอาไปพิจรารณาหนาปัญญาเพื่อรู้เห็นสัจธรรมมันก็รู้เห็น แ, แ, แจ่มแจ้งปลอดจิตไม่หิวไม่หอย uh huh. พิจรารณาหนาปัญญาเห็นหลักอานิจจังทุกขังอนัตตาทําไมท่านจึงให้ดนเห็นให้เห็นอานิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอย่างอื่น ไ, ม, ไ, uh huh. ไม่ได้ไม่ได้เพราะอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ เป็นต้นต่อของความเปลี่ยนแปลงของหลักธรรมชาติของกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงนา ม, มันทํามก็เราคือจิตของเร า, เราก็มีกองสังขารขึ้นชื่อว่าสังขารคือมีสิ่งมีส่วนประกอบตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปรูปธรรมเช่นร่างกายของเราประกอบด้วยดินน้าลมไฟที่ไปที่มาของรูปธรรม ท, ที่ไปที่มาของรูปธรรมเราย้อนดูก็ได้ตอนนี้เราไม่ค่อยอยากทิ้งเราอยากจะพูดตรงนี้ให้กเราเข้าใจ เราย้อนจากที่เรานั่งเดี๋ยวนี้ย้อนกลับไปอดีตย้อนไปย้อนไปย้อนไปยอ้อนเข้าไปอยู่ในท้องแม่บอกจริงย้อนเข้าไปอยู่ในท้องแม่เลือดหยดเดียวเล็กๆจนมองด้วสายตาปล่าไม่เห็นที่ธาตพ่อธาตแม่ประกอบกันจนเป็นเหตุให้เราไปบัตรในท้องแม่เราไปหวัตรในท้องแม่ตั้หาภายในใจของพ่อของแม่ ทำให้ท่านประกอบการเจริญพันธุ์เป็นเหตุให้ดินน้ำลมไฟของพ่อกับของแม่ประกอบกันอยู่ในท้องแม่ในจังหวัดที่ดีในจังหวัดที่หมะตันหาจากจิตของพ่อของแม่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านั้นตันหาภายในใจของเรา <c oughs> ก็ทําให้เราสอบหาที่เกิดหาพบผายชาติคือชื่อวัตถนาที่มีอยู่ในใจแล้วมันจะมีปาทามีพบมีชาติอยู่อย่างไม่จบตามหลักปฏิจจสมุปบาทท่านจัดเอาไว้ พระอาจารย์พุทเจ้าท่านจึงส่งยกสังขารมาแสดงให้พวกเราเข้าใจขึ้นชื่อว่าทุกสมุทยัยนิโรธนะก็อยู่ในกอบ ท, ท, ทุกข์เหล่านี้นะทุกอนิจจันทุกขังอนัตตาเราพูดถึงอนิจจันทุกขังก่อนขึ้นชื่อว่าสังขารที่มันไปประกอบกันแล้วมันไม่เคยอยู่เท่าเดิมท่าเรียกว่าทุกขงังทุกขงัง เรามีเห็นมีอะไรอยู่เท่าเดิมมันไม่มีอัตราต่อร่างกายของเร า, าไม่อยู่เท่าเดิมดูได้ว่าไปอุบัติในท้องแม่เป็นเลือดหยดเล็กๆขยายมาเรื่อยขยายมเร่อยขยายมาเรือยเจ็ดเดือนแปเดือนเเดือนไหม เ, เอาไปย้อนครบ32เคยอยู่เท่าเดิมมันไม่อยู่เท่าเดิมเพราะสังขารหลังจากเขาประกอบกันแล้วเกิดเป็นกองงานกองงานอันนี้ทํางานโดยหลักธรรมชาติของมันไม่เคยอยู่เท่าเดิมเราใช้บทนี้เป็นบทพิจารณาเพื่อให้เห็นอันนี้จากทุกขั้นอณตาเราจะได้ เห็ุลาในกอบทุกเหล่านี้ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกขันเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังสังขารไม่ว่าจะเป็นสังขารในกายขอะไราาใจของเราสังขารที่อยู่รอบข้างตัวเราซาลงซาลาติวิหารและกลาสรารพัดอยู่รอบข้างตัวเรารวมทั้งทะเลมหาสมุทรไม่มีสิ่งใดอยู่เท่าเดิมไม่มีสิ่งใดอยู่นิ่ง กลายเป็นกองงานขึ <Stars> ข้นมาแต่ละอยา่างแต่ละอยา่างแตะละอย่หากมันทํา ง, งานไ ป, านนไปตามหลักธรรมชาติก็มันแต่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราด้วยเหตุที่ตัณหามันแทรกเข้ามาที่ใจของเราเราอยากให้ร่างกายของเราอยู่เท่าเดิมอยากให้นิจจ์แล้วก็อยากให้สุขขังไม่ให้มันเปลี่ยนไปเป็นนิจจ์อย่าให้เป็นนิจจ์อยาให้เป็นสุขขัง แต่ที่จริงหลักธรรมชาติอันนี้มันเป็นทุกข์ังมันเป็นอนจิจจ์ทุกข์ขังอันนี้เป็นทุกข์ขังในหลักของอริยสัจสี่นะพวกเราเราอาจจะรู้จักแต่ทุกทุกทุกที่เจ็บที่ปวดที่ป่วย ท, ที่ไข้ทโรคตับโรคไตโรคปอดโรคมะไร็โรคอะไรตอะไรสัตว์ภัเราอาจจะมองว่าอันนี้แหละคือทุกแท้ที่จริงทุกที่ละเอียดที่ท่านพูดไว้ในหลักอริยสัจ4ี่นะั คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวเองไปไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเราดูพลังลมบนหัวเราเราดูไฟบนหัวเรามีอะไรอยู่เท่าเดิมไหมไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมเราดูพืชพันธุ์ยาทั้งทั้งหลายใบไม้ใบหญ้าทั้งหลายแผ่นดินแผ่นลมแผ่นฟ้าเราดูไปบนท้องฟ้าอากาศ น, นั่นเนี่ยเรานั่งเครื่องมาเราแหวกควันเมฆมาไม่มี แม้แต่เม็ดหินเม็ดสายที่มันจะอยู่เท่าเดิมมันอยู่คงที่ไม่มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปดูมาที่ร่างกายเราเคยอยู่เท่าเดิมไหมอ่าเราใส่อาหารเข้าปลาอาหารเข้าไปประเดี๋ยวประด้าวสองชั่วโมงสามชั่วโมงมันบวดมันย่อยมันเป็นโรงงานเพราะฉะนั้นสังขารแต่ละก้อนแต่ละก้อนคือกองงานไม่อยู่เท่าเดิมพระรูปเจ้าท่านให้ดูวันนี้ให้เห็นให้เราเห็นเป็นทุกข์ค่ะ ทุกขังมันไม่อยู่เท่าเดิมมันเปลี่ยนไปเป็นอนิจนจังอนิจจังยังไงทุกขังไปยังไงทุกขังยังไงอนิจจังไปยังไงอันนี้คือกระแสของธรรมชาติที่เป็นไปอยู่ในโลกไม่มีใครสามารถดัดแปลงได้พระเจ้าก็ดับแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นาศนาสนธรรมของพระองค์จึงเป็นาศาสนาที่มีอยู่พุทธิจักรโลกไม่มีการสูญสลายไปจากโลกเพราะโลกทั้งใบอันนี้มีอนิจจังทุกขงังและอนัตตาใครไปกับไปเกี่ยนไปบังคับบัญชาไม่ได้ แต่ตัณหาในหัวใจของเรามันตรงกันข้าวตัณหามันอยากให้คงที่อยากให้เป็นนิจจังไม่อยากมันเปลี่ยนไปไม่อยากให้เป็นทุกขังไม่อยากให้เป็นอนิจจังอยากให้เป็นสุขังอยากให้เป็นนิจจังมันเป็นไปตามมันไหมเนื่องจากผู้หวังเป็นอีกผู้หนึ่งสิ่งเหล่านะั้นมันเป็นไปตามเอตุตามปัจจัยอีกหนึ่ง เหมือนอย่างเรานึกคิดว่าพัดลมจงหยุดพัดลมนี่จงหยุดพัดลมนี่จงหยุดมันหยุดไหมมันไม่หยุดเพราะมันมีเหตุปัจจัยผลักดันให้มันหมุนอยู่ไฟจงดับไฟจงดับเราเนึกคิดว่าไฟจงดับไฟจงดับเราสั่งมันได้ไหมถ้าเราไม่ไปดับที่สวิตช์มันมันก็ไม่ดับในเมื่อสมมติเราไปดับที่สวิตช์มันปั๊บไฟพัดลมมันก็ไม่หมุนไฟมันก็ไม่สว่างไฟจ้งติดไฟจงติดไฟจงติดตราบใดที่เรายังไม่ไปเปิด เพราะนั่นคือเหตุคือปัจจัยของมันสังขารของเราดินน้ําลมไฟมันไม่อยู่เท่าเดิมมันปดมันย่อยอาหารที่เราใส่เข้าไปบดย่อยตั้งแต่กระเพาะลงไปลําไส้เล็กลงไปลําไส้ใหญ่ไปเป็นอาหารเก่าแล้วก็ทายออกมามีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมเราดูของหยิบดีราคาแพงมากที่เราใส่ปากเข้าไปราคาแพงแพงมากต่เวลาไปเอาออกมันเป็นอีกรูปหนึงอ่ามันเป็นอีกเรื่องหนึง มันเอาสิ่งที่เป็นรสเป็นชาติไปหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายไปเป็นเลือดไปเป็นเนื้อไปสร้างนิ้ไปบองรุ้งนี่ไปอะไรกับอะไรในร่างกายสิ่งเหล่านี้กัเปลี่ยนไปสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปความเกิดเราสามารถหยุดได้เพราะเราเห็นโทษของมันละตัณหาได้วางตัณหาได้มันก็เป็นการความพพได้วางชาติได้เกิดแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บความเจ็บหมออาจจะช่วยเราได้เ จ, เจ็บนู้นเจ็บนี้ปวดนู้นปวดนี้หมออาจจะช่วยเราได้แต่ความแก่หยุดมันได้ไ ห, หยุดไม่ได้เพราะความแก่นั้นเหมือนเป็นไปตามไปในคราวที่วัยเจริญร่างกายของเราจะเจริญพอถึงคราววัยเสือ่อมร่างกายของเราจะเริ่มเสือ่อม 50, ปี60ปี70บปีเสือ่อมประดเสือ่อมประดับเส อาก็เสียงหูก็เสื่อมมันสมองก็เสื่อมอัลไซเมอร์เล่นงานราูเถิดมีอะไรอยู่เท่าเดิมเดี๋ยวเอามาพลึบมาพลาดเดี๋ยวโรคนั้นจับเดี๋ยวโรคนี้เกาะเต็มไปหมดมีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมเราไปกระเกณงนั้น อ, อยู่เท่าเดิมได้ไหมด้วยเหตุที่เราบังคับบัญชาให้อยู่เท่าตามเดิมไม่ได้ตามอำนาจ ต, ตามความต้องการของตันหาไม่ได้พระเจ้าจักจริงทรงตรัสว่าอนัตตานี้แหละอนัตตา นักตาคือบังคับให้เป็นไปตามใจหวังของเราไม่ได้มันหากเป็นไปตามเหตุกามปัจจัยของมันเราไม่อยากให้แก่มันก็ต้องแก่ไม่อยากให้เจ็บมันก็ต้องเจ็บไม่อยากตายมันก็ต้องตายเพราะร่างกายนี้มันจะต้องตายเป็นไปตามวัยของมันพอหมดวัยแล้ ว, ล ม, วลมันก็ตายหมดวัยแล้วมันก็ตายเราชะลอได้ไหมเราเระงับมันได้ไหมแค่ชะลอได้เท่านั้นความเจ็บแค่ได้รวยให้หยุดให้หายให้ขาดไม่นะแค่เราชะลอได้ความแก่ เราแค่ชะลอได้ความตายแค่เราชะลอได้ไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายได้ไหมไม่ได้ตราไตรมี่งพวกมีชาติตราไตรมีกองสังขารอยู่ชะลอความแก่ความเจ็บความตายได้ไหมนี่คือพระพุทธเจ้าท่านท่านรารทรงได้บรรลุธรรมเห็นโดยพระองค์เองเห็นนะอันนี้จังเห็นทุกคั้งเนอนัตตาอันนี้จังทุกคังอนัตตามีที่ไหนมีที่กองอัตภาพร่างกายของเรามีที่กองจิตใจของเราที่นามธรรมของเรา อันนี้จากทุกขังนักตาหรือสามัญยนตร์สะอันนี้มีเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจําอยู่แต่เราไม่เคยมองเราไม่เคยเห็นเมื่อเราไม่มองเราไม่เห็นผู้ที่ท่านได้เข้าถึงธรรมน้ำในพระโสดาบันเป็นต้นไปท่านมาเห็นริงแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงทําลายสักกายาทิฏฐิได้มันไม่ใช่เราเลยนะถ้าเป็นเราเราต้องบอกมันได้ด้วยเห็นที่มันไม่ใช่ไม่ใช่เรา จึงสามารถละความเห็นหนาวที่เรียกว่าละสักกายทิพฐิสักกายทิพติสำคัญว่าเป็นกายแต่พระสวดมนต์ละทั้งย0่ยังไม่ได้ดอกย่สที่ท่านพูดว่าเรามีในกายๆมีในเราเราเป็นกายๆเป็นเราเอ่อย่างละเท่าไหร่ อ, อย่างละเท่าไหร่ห้าสี่ยี่สิละยังไม่ได้หมดแค่ ทำความคิดเห็นเห็นว่าอู้ไม่ใช่เราจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตราบระที่ตัณหามันไม่แท้ในหัวใจเราเราลองหยอ่อนลองหย่อนมาดูร่างกายสังขารของเรามันไม่ใช่เราคําว่าเรามันโผล่ขึ้นมาได้ไงมันโผล่มาที่ใจของเราตัณหาเวลามันโผล่มาที่ใจของเรามันก็พายุดเกิดตัณหาและเกิดปรารถนถ้าเราจะพิจารณาตามหลักของการเจริญมหาสตินั้น ท่านให้สัจวัตามีสติกำหนดรู้รู้อยู่โดยมาพิจารณาถึงวงจรของรูปธรรมของนามธรรมเช่นอย่างตากระทบรูปเกิดความรู้เห็นทางตาที่กว่าบิญญาณมีอายตนะภายนอกก ร, อนนกระทบอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกเกิดบิญญาณเกิดผัสศักเกิดเวทนา แต่ถ้าเรามีสติกําหนดจดจ่อรู้อยู่เวทนาสักเท่าไหเวทนาจริงๆนะรลองกําหนดจดจเอาองดูตราประที่เวทนาสักเท่าไหรเวทนาจริงๆตัณหาแทรกไม่ได้ตัณหาเกิดไม่ได้แต่จะต้องมีสมาธิดีจะต้องมีสติดีถ้าหากสติไม่ดีสมาธิไม่ดีตัณหามันแทรกเข้ามาที่เวทนาคําว่าเวทนาคือสุขทุกขเวทค่ะคือยินดีกับยินรา้าพอตาเราเห็นรูปปั๊บ เกิดผัสสะการที่มันไปสัมผัสกันอะไรคือผัสสะและเกิดเวทนาคําว่าเวทนามันเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในในขวามรู้ในผู้รู้อันนี้เราพูดถึงลําดับขั้นที่ว่าตันหามันเกิดและตันหามันดับการที่เราเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นอัตภาพร่างกายเกิดดับเกิดดับเราไม่ได้เห็นด้วยาเนี่มันไม่มีการอิ่มพอเบื่อนะแต่ถ้าเราเห็นตันหาเกิดดับโอ้เปนยุบยุบหายมาเลยเนี่ยเบาเรื่อนหวันเจ็ดวัน ปัญหามันดับตราบใดที่ปัญามันออกมาเล่นงานในหัวใจของเราสติสัมปชัญญะของเราหันเจอะไปกระทบกันปั้งเหมือนเราไฟมันสปาร์กันบ้าราไปเลยออัตราตัวตัวอะไรที่เราเคยยึดเคยถืออยู่มันจะราหมดไปเลยเหมือนอย่างเราเทน้ำออกจากถูกพลาสติว่าแฟบหรือถุงพลาสติเมื่อก่อนมันพองนี่คืออัตราการทํางานของตัญหามันทํางานอย่างนี้ เกิดผัสสะเกิดเวทนาและเกิดตัณหาเกิดตัณหาและเกิดอุปาถาและเกิดภพเกิดชาติอันนี้คือตัณหาใหม่นะตัณหาเก่ามันส่งมาแล้วอันนี้คือตัณหาใหม่เกิดมันสร้างกระแสวงจรเข้ามาเพื่อที่จะมาทดแทนกัเพื่อที่จะมาทดแน ท, ทดแนกันถ้าเราจะเทียบ ม, มันก็ไม่ยากก็เหมือนกับชีวิตเราเนะีนะะ่ยแหละทำให้มีผู้ชายทำให้มีผู้หญิงทําให้มีโลกมีเต่ามีอะไรขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบหนอต่อกระแหง เราดูไปที่ต้นไม้พืชพันธ์ทั้งหลายทั้งปวงก่อนที่มันจะเสียอันเก่าไปเนี่ยมันจะต้องมีอันใหม่เกิดขึ้นมาเป็นมเมล็ดเงี้ยเป็นเป็นมเมล็ดพันธุ์พืชพืชรุ่พืชนี้เราดูมาที่มะม่วงก่อนที่มะม่วงอ่าก่อนที่มะม่วงมันจะสุกมันจะต้องมีมเมล็ดอ่าเขาเอามากินกินแต่เหลือเหลือเมล็ดเอามเมล็ดไปเพาะมันขึ้นขึ้นใหม่อ่ามันขึ้นมาเพื่อทดแทนต้นเดิมของมันตั้งหาในหัวใจของเราเช่นเดียวกัน ความเป็นชีวิตของพืชกับความเป็นชีวิตของเราจะไม่แตกต่างกันแต่ต้นชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นต้นชีวิตที่มีวิญญาณครอบอย่าลืมนะนี่พวกเราแต่ละคนแต่ะละคนเป็นต้นชีวิตต้นชีวิตต้นนี้ใครไป็นคนปลูกพ่อแม่ช่วยกันปลูกปลูกต้นชีวิตที่ขึ้นมาพ่อแม่อาศัยว่าปลูกต้นชีวิตนี้ขึ้นมาได้ด้วยอานาจของกระแสตันหาแล้วก็เราไปจับจองอนนั้นได้ด้วยกระแสของตันหา เราประวัตินในท้องแม่ในระหาที่อยู่ในท้องแม่ไม่รู้เรื่องหรอกเหมือนนอนหลับอยู่ในนั้ น, น, นแหะแป๊บเดียวระยะเวลา ย, ยืดยาวไปเท่าไาหร่ลูกพอเป็นลาออกมาได้สัมผัสอากาศไปเท่าั้นหละอุ้แวขึ้นมาทันทีนี่คือความเป็นมาของนุ่นเขาเกิดี้แต่มนุษย์เรานั้นเป็นต้นชีวิตที่มีวิ ญ, ญญาณเขาพืชทั้งหลายทั้งัวงเขามีแต่ต้นชีวิตที่เฉยเขามีจิตสัญชาติยานนี่นี่เราเอามาเทียบต้นชีวิต ต้นเก่าจะสูญไปมันจะต้องมีต้นใหม่ทดแทนตัณหาก็เช่นเดียวกันตัณหาใหม่มันส่งปัญหาเก่ามันส่งมาแล้วตัณหาใหม่พร้อมที่จะเกิดตราบใดที่เรายินตีกับสุขเวทนายินร้ายกับทุกขเวทนามีแสดงว่าตัณหาแทรกูนใจของเราแล้วตราบใดที่เรามีสติกำหนดจดจ่อรู้ที่เรียกว่าเจริญสติกิริญสติเอาสติกำหนดจดจ่อรู้จักเว่ารู้เห็นจักเรีกว่าเห็นอ่าไม่มีเราเห็น ไม่มีเราไม่มีของเราเห็นรูปไม่ใช่รูปเราไม่ใช่เราเองเรากำหนดรูด้สักทเทววนจิตรมันสามารถกําหนดได้ดวยเห็นที่เรามีสติด้วยมีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยเรากำหนดยังไงไม่ชัดเจนอย่างไงเรากำหนดยังไงไม่ชัดเจนมันตั้งหาเกิดไม่ได้มันไล่กันมาเป็นระลอกมาสัมผัสสัมปัต ร, รูปเกิดวิญญาณเกิดภัทรศเกิดเวทนาเวทนาเกิดศักเทวเวทนาไม่ยินดี ไม่ยินรายลองทําดูว่ามันไม่ยินดีไม่ยินร้มันมีได้ไหมในหัวใจของเรามันมีได้นั่นคือตัณหามันไม่เกิดแต่ถ้าหาเราปล่อยให้ตัณหาเกิดคือความอยากตัณหาคือความอยากในหัวใจของเรานะมันเกิดประกายแปกขึ้นมาแล้วอยากแล้วมันมันไปคว้านั้นโอ้รูปดีมันชอบรูปไม่ดีมันไม่ชอบเมื่อเกิดรูปดีมันก็ยืดด้วยหน้าของตัณหาเมื่อเกิดตัณหาแล้วเกิดอุปาทานเกิดอุปาทานแล้วเกิดพบเกิดคือที่เกิด เกิดพบคือที่เกิดเมื่อเกิดพบคือที่เกิดคือมีที่เกิดเราจะต้องมีชาติไปเกิดคือเราอะจะต้องไปเกิดอะไรับเกิดต like. like ัณหาเกิดอุปาทานเกิดพบเกิดชาติเกิดชาติก็คือได้อับได้อัตมาขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็เจ็บก็ได้ป่วยไม่นิ่งไม่เที่ยงไม่คงที่เปลี่ยนไปจากเล็กเป็นโตจากเริ่มเจริญมปันจถึงใบเสือกหมดอายุไขตายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอยู่ด้วยอายุไข เพราะฉะนั้นอนนี้อางทุกข์ฐาอนันตตาโดยเหตุที่รูปญาติส่งเอาอุปเอากองสังขารมาเป็นตัวประกอบในการสอนเราจึงดูมาที่กองสังขารสังขารสังขารคือส่วนประกอบกองสังขารเรามีส่วนประกอบไหมร่างกายเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างดินน้ําลมไฟดินน้ําลมไฟกองสังขารอารมณคืออะไรคือผู้รู้อกตับอวิชชาที่มันปนเพื่อนครับ วิช า, าก็คือพลังของอำนาจของความอยากความอยากนี้เราดูปะชิจใจของเรานละ้วแต่มันมีสองอย่างหนึ่งยากตามอำนาจของธรรมสองอยากตามอำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราทําตามอำนาจของธรรมการที่เราตั้งใจภาวนาะพุทโธพุทโธพุทโธนี่คือเราทําตามอำนาจของธรรมผลกายได้ผลวิบากเป็นเรื่องของธรรมแต่ถ้าเราปลา่อยกิเลสมันแทรกเข้ามาเป็นกิเลสฉะนั้นมัน่าดทา ง, งานระ ใครชอบใจยินดีกลายเป็นวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสโดยเห็นที่เราเป็นนักปฏิบัติรัพยายามเจริญธรรมตาเห็นรูปกําหนดรู้สักถวะเห็นไม่เกิดยินดีไม่ให้เกิดยินร้ายสักถวาเห็นสักถวากําหนดรู้อาศัยสติสักถวะรึกรู้กํกาหนดรู้ไม่สิ่งเหล่านั้นเกิดในขณะเดียวในขณะนั้นตั้หาเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้จริงๆลองตั้งลองดู พอเวลามันหลงขึ้นมาปุ๊บปับขึ้นมาทันทีมันไปสัป้ากันพา่าราไปเลยลองทําให้เห็นตัณหาดับลงเกิดดับเกิดดับกิดดับเราเห็นตัณหาดับนั่นน่ะมีกําลังที่สุดเพราะสิ่งที่ปูมกมัดเราไว้ในวัฏสงสารก็คือตัณหาตัณหาแปล ว, าว่าความทะยากอยา่ดูไปที่ใจของเราเจะเห็นดูไปเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ดูไปความอยากที่ใหญ่ยินดีไหมยินร้ายไหมเรารู้ไปที่ทุกเขเวทนาที่เราประสบเดี๋ยวนี้ ถามใจหนึ่งเราเป็นทุกเวทนาไหมเราเป็นคนเจ็บไหมเราเจ็บไหมเวทนาเป็นเราไหมถ้าเรายึดว่าเวทนาเป็นเราเราก็เจ็บเจ็บปวดอุไว้เป็นมาจันทีเวทนาต้องเป็นนี่เราเกิดเป็นชั่วโมงแล้วนะเนี่ยเราพูดมาเกือบเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเราจะต้องเจ็บเราจะต้องปวดโอ้ชั่วโมงครึ่งกว่าแล้วไหมเราคิดว่าเกือบชอั่วโมงชั่วโมงครึ่งกว่าเลยพูดไปเรื่อยๆอะ ไหนไม่มีใครหลับยาวให้เห็นนะอะดูไปที่ทุกขเวทนาเวทนาเป็นเราไหมดูไปเอาสติดูเอาสัมปชัญญะดูเอาปัญญาดูการเจริญแบบนี้เขาเรียกว่าเจริญตามมหาสติปัฏฐานละมหาสติปัฏานนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราซึ่งอยู่ครองเอนเอาไปใช้มันใช้ได้ทุกอิรยาบถยืนเดินนั่ง น, นอ น, น, อนยืนก็กำลังสติได้สติตัวเดียวนี่แหละ สามารถทําให้เราเจริญทําพื้นๆจนถึงวิมุตต์หลุดพ้นไปอาศัยสติลงเดียวเนะี่ยสติคืออะไรสติก็คื อ, ค, อคือผู้รู้ดำริแักดำริแักแักแยกมันก็คือจิตส่วนหนึ่งของจิตเกิดขึ้นเพราะกับจิตดับไปเพราะกับจิตแต่เรามาแยกเรียกเฉยฉะนั้นเอง๊ะอะไรที่เร า, เร า, เราทําให้จิตของเร า, เราตื่นรู้รู้ด้วยสติด้วยสัมผัสแยแท้ๆกลายเป็นว่ากิเลสเกิดไมาได้ด้วยเหตุนี้เอง พุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกท่านตึงจึงตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญเห็นตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับดับตัณหาได้ตรงนี้อย่ากจกราบคาบได้มันดับได้จริงๆเราทาให้เห็นถูกมันดับได้จริงๆแต่พวกเราตั้งใจภาวนาท่านเริ่มแพ้คอยเริ่มเราเริ่มด้วยสมถะพุทโธพุทโธอยู่กั บ, บอารมณ์หนึ่งเดียวพเพราออยู่มานานเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นหนึ่งชั่วโมงเ ร, เริ่มเจ็บเริ่มปวด เราก็าขยำจากพุทโธมาอยู่กับทุกขเวทนาก็ได้ดูที่ทุกขเวทนาที่มันเกิดเกิดตรงไหนเกิดตรงทะโพกเกิดตรงเอวแล้วก็ดูไปเลยจิดูไปที่ทุกขเวทนาเอาจิตของเราเนี่ยไปอยู่ท่ามกลางทุกขเวทนาเหมือนกับอยู่ท่ามกลางกองไฟดูเข้าไปทสิดูไม่ให้ตัณหามันเกาะ น, นะถ้าตัณหาเกาะมันจะเกิดความรู้สึกว่าเราเจ็บวเราปวด แต่ถ้ามีสติกโกรอยู่ตัญหาไม่เก่อตัญหาไม่เกิ ด, กดสัต่ว่าทุกขเวทนาทุกจริงๆเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งขึ้นมาเอาจิตเท่าไหร่กดนะ็ดูไปดูไปที่ความเจ็บความปวดโอ้ทุกขวเวทนาเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนาดูเวทนาแล้วก็ย้อนมาดูที่จิตลงตาท่านสอนให้ดูดูเวทนาแล้วก็ย้อนมันที่จิตย้อนอหไรมาเราลองย้อนเอาดูดูจิตแล้วก็ย้อนไปดูเวทนา ดูเวทนาไปย้อนมาดูจิแล้วก็ย้อนมาดูกายดูกายตรงไหนดูกายตรงทีทุกเวทนามารเกิด น, นั่นแหละดูตรงเอวตรงตะอโพธตรงหัวเข่าที่เราตั้งปวดอะไรอย่างนี้ใครรู้จักวิธีนี้คนนั้นสามารถนั่งโต้รูปได้กรอดตั้งขืนได้เนี่ยผู้บอายชาท่านท่านได้บิชาเนี่ยท่านนั่งตลอดรูปได้นะไม่มีเจ็บไม่มีปวดนั่งทิ้งไปเลยวันนั้นจ้ะเพราะไม่เอาเราเข้าไปเกี่ยวข้อง เวทนากณาคศธรรมเป็นศัจจธรรมเฉยๆแสดงตนให้ปรากฏไม่ให้อัตตาตัวตนมาโผล่ขึ้นมาถ้าอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไรตัณหามันแทรกเข้ามาแล้วตัณหาฝ่ายต่ํามันแทรกเข้ามาแล้วมันมาพายุทันทีว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราอัตตาตัวตนมันก็โผล่กันานอเราเจ็บเราปวดเพรเจ็บเราปวดต้องพลิกต้องเปลี่ยนอันนี้คือต้นสายปลายเหตุของมันแท้ๆแต่พวกเราเดี๋ยวนี้เรามาวาดุ่นกับปลายสายของมัน พอทันหามโผล่ข so ึ้นมาเกิดอัตตาเกิดตัวตนเกิดทิฏฐิเกิดมานะเกิดการถือเนื้อถือตัวถือสูงถือต่ำถือยศถือศักดิ์ถือผิดถือถูกเลาะเบาะแสกันอยู่เต็มโลกเต็มสงสารอยู่เดี๋ยวนี้เกิดเกิดก็คือสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยย้อนไปดูต้นตอของมันแต่ถ้าเราย้อนไปย้อนไปย้อนไปแล้วไอ้สิ่งที่อยู่ผิวเผินข้างนอกมันจะสงบนะครับดับเข้าไปดับเข้าไปกิริยาข้างนอกเราไม่เห็น เรารู้เห็นว่ามันเกิดจากสิ่งเหล่านี้เราสามารถไประงับข้างในต้นตอของมันได้นี่คือที่เกิดของตัณหาและกัที่ดับของตัณหามันเกิดตรงนี้ไม่ได้มันก็ดับมันเกิดตรงนี้ไม่ได้มันก็ดับเกิดไม่ได้มันก็ดับตัณหาใหม่เกิดไม่ได้เหลือตัณหาเก่าท่านจึงให้พิจารณาคลี่คล้ายเราตั้งใจจะตั้งใจตั้งใจจะบำเพ็นเพื่อได้อะไรทำเหมือนกับเราลงเรือแต่เรือคือจิตของเรามันเหมือนเรือรั่วเรือรั่วเลย พราะเรานั่งเข้าไปนั่งเรานั่งข้ามฟากเรือร่วนน้ำวัฒทะ เ, เข้าไปในเรือถ้าเราต้องการจะข้ามฟากได้เราจะต้องอุดรูรั่วของเรือเพราะอุดรูปักน้ําใหม่ไม่เข้าไปเมื่อน้ําใหม่ไม่เข้าน้ําเก่ารพยายามวิ่ออกเราดูประมาณนี้แล้วเราจะเห็นว่าเราวิดออกไปเท่าไหร่มันกำหดนดวัฒนะตัณหาจิตว ใ, ใจของเราเราคพิจารณาที่มันหลงตามรูป ตามเวทนาตามสัญญาตามสังขารตามวิญญาณพิจารณาดูสัจจ์ของจริงยิ่งพิจารณาไปเทา่าไรไปยิ่งเห็นยิ่งพิจารณาไปเทา่ทาไรเท่าไรไยิ่งเหนมันก็ถอดถอนอุปาทานเหมือนกับเป็นน้ําเกา่าน้ําใหม่เราให้เกิดจะน้ําเก่าเราพยายามวิงออกหมดได้ไหมเรือคือนาวาคือใจของเรามันสามารถหมนได้ตัณหามันสามารถหมดได้าาดไดเพราะเมื่อเห็นที่เราไม่รักษามัเราไม่อุดรู น้ำน้ำใหม่ก็ทะลักเข้าไปน้ำเก่ามันมีอยู่แล้วน้ำใหม่ก็ทะลักเข้าไปก็เพิ่มอยู่นั้นอะเพิ่มอยู่นั้นไม่จบเราดูอุปมานี้แต่มันทําไม่ได้ง่ายๆ่ายมันอุดรูรูเรือนะมันทําไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีสมถะท่านจึงให้มีวิปัสสนาเพราะเร า, าทําตรงนี้ได้ตังหาใหม่เกิดไม่ได้ในเมันเหลือตังหาเก่าเราพยายามใช้ตะปะ ท, ทําแผ่เผาก็ไปในที่สุด เมื่อแบบไม้ที่มันมีหัวมีเง่าอันไหนี่มันโปร่ดินขึ้นมาเราฟันออกอันไหนี่มันโปร่ดินขึ้นมาเราฟันออกฟันอยู่เรื่อยๆฟันอยู่นึ่งๆฟันอยู่บ่อยครั้งเข้าอย่ากคิดว่ามันจะไม่กระเทือนถึงหัวถึงเง่าของมันต้องกระเทือนแน่ๆเพราะตัญหานี่มันเกิดเถื่อที่ใจมันตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่ที่ใจมันดับไปมันก็ดับที่ใจแต่ระบบระบบระบบเส้นสายของมันยังมีอยู่แต่ในเหตุที่เรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันใช้สมาธิเป็นพื้นเป็นปักเป็นฐาน จิตของเราได้ ร, รับความสงบจะเป็นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองไว้จิตของเรามีเพื่อนมีบาบมีฐานมีกําลังแต่ไม่เจอิญส ม, มะถะไม่ได้นะอ๋อไปเดินก็บกำลังรู้ยืนก็กําลังรู้นั่งกับกำลังรู้มันไม่ทันโดยเหตุที่จิตของเราสมุกนะมันเป็นเพื่อเป็นบาบเป็นฐานของมันนะมันเป็นพลังที่เรากักตุนเอาไว้จิตของคนที่มีสมาธิมันเป็นจิตไม่หิวไม่หอย เราเอาจิตที่หิวโหวยไปตามกํหมยาหนดกินยาเยอเอ้ยเด้อเอ้ยนั่งเอ้ยนอนเอ้ยมันไม่ทันมันสั้นตัณหามันสวมรอยเอาไปใช้แล้วไม่ทันมันแล้วพิจารณิจันทุกขังนาตาพิจารณาได้อยุแต่ว่าจิตที่มันจะละเอียดเข้าไปถึงสัจธรรมจนกลายเป็นปัญญาจนกลายเป็นปัญญาญามันไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านไมเคยตัดออกสมาธิศสีลสมาธิปัญญา แต่อย่าลืมว่าสมาธิของผู้ศึกจักนั้นเป็นสัมมาสมาธิในนั้นมีปัญญาอยู่ในนั้นด้วยเราดูแต่วิโตวิจารณคืออะไรวิโตวิจารก็คือปัญญาที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราอันนี้เราพูดถึงวิธีการข้างในที่เราจะมาต่อกรกับตัณหาในหัวใจของเราตัณหาก็คือกิเลสกิเลสก็คือตัณหาอวิชชาตัณหาอปัฏฐานมันเป็นตัวเดียวกันตัวความอยากตัวดื้อรั้นตัววัตถุอีกที่เรายังไม่เคยขัดเคยกล่าวคือหัวใจของเรา บางทีเราไปตั้งอันนั้นชื่ออย่างนัอันนี้สมมติอย่างนัอันนี้ก็สมมตินี้เราเลยหลงสมมุติเองบางทีชื่อสมมุติเหล่านั้นมันขัดกันมันแย้งกันใช่ไหแน่คือเราไม่ทันดูมาที่ใจดวงเดียวเราจะไม่ต้องข้องใจเราไม่ต้องสมใส่แล้วอ๋อความอยากเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้เริ่มแรกเราพยายามกำหนดดูความอยากสิบบอความอยากคือเรื่องของตัณหาความอยากที่เป็นธรรมความอยากที่เป็นจริตกาหนดให้เห็นความอยากสิบบเสร็จแล้วเราเข้ามาแยกแยกแก้ว่า เอออันนี้อยากไปตามสินตามธรรมหรือเปล่าอยากรักษาสินอยากประพฤติธรรมอยากปฏิบัติธรรมอยากได้สมาธิอยากได้ปัญญาอยากให้มรรคได้ผลอยากได้นิพพานความอยากเหล่านี้เป็นมรรคกุบายันท่านให้เราเรีบส่งเสริมแต่ถ้าอยาก็พื่ปีนเปลี่ยวกับสินกับธรรมนี่นี่คืออำนาจของตัณหาเบื้องเบื้องต้นให้เราพยายามดูความอยากให้มันเห็น ความอยากกิริยาของความอยากหัวใจเราเราดูเห็นไหมดูดูเห็นเราพยายามดูแล้วมันจะเห็นอยู่ตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางสมรภูมิที่ตัณหามันเกิดเรามารู้จักที่เกิดมารู้จักที่ดับของมันมันก็สร้างเนื้อเพราะเนื้อเพาะตัวนันอย่างสะดวกสบายอิสระเสรีเหมือนมันเหมือ น, น, นแหลงเพาะเชื้อซึ่งเราไม่รู้เลยเราไม่รู้จะไปกำจัดไม่รู้จะไปปราบมันที่ไหนเรามาเรียนรู้ตามหลักม า, มาสรสถานนี้ มรรสติปัญหากับสัมถักับวิปัสนามันก็อันเดียวกันแต่ลหลักมรรสติปัญหามันคล้อไปหมดมันได้ทั้งสัมถัสมันได้ทํางวิปัสนาตัวสํำคัญที่สุดคือพยายามปลุกสติของร้ายมีมีปลุกจิตขอร้ายมี ส, มสติกากับกำหนดจดจ่อรู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาเราทํามาตรง น, นี้ทําให้ใจมีชันนาทําให้ครอบแล้วเริ่มรู้สึกเออมีหวังเออมีหวั ง, ออวงโอ้โหรู้ว่าตันหามเกิดโอ้รู้ว่าตันหามมันดับ ไม่ใช่ว่าไปนั่นหลับตื่นหับตื่นหลําตื่นหลับตื่นแล้วสดล่องโอ้ยเหมือนจิตลุบไปที่ไหนก็นมาลูกไม่มีอะไรเป็นเครื่องบอกว่าถูกหรือผิดอะไรเป็นเหตุ อ, อะไรเป็นผลไม่รู้จักอะไรคือกิเลสตหาที่ฟาโราห์ไม่รู้จักไม่รู้เรื่องเรามาตรงนี้เราอยู่ท่านกราสมรภูมิรู้สิ่งที่เป็นศัตรูเต็มร้อยรู้สิ่งที่เป็นมิตรเต็มร้อยแต่ได้วยเหตุหที่เราไม่เคยสนใจหมุนมาตรงนี้เรามายึด ตัวศัตรูแท้ยึดมหาศัตรูเป็นมหามิตรเห็นมหามิตรแท้เป็นมหาศัตรูหมายความว่าทําอะไรตามความอยากตามความพอใจของสังขารสังขารเหล่านี้ไปยิ่งเพิ่มพูนพัฒนาไม่มีจุดจบไม่มีจี่จบไม่รู้จักจบภาวนาทั้งใ่ายภาวนาไม่มีกําลังเห็นว่าคุณบาอาจารย์ท่านภาวนาและจิตสนุก คิดวุ๊ับสงบดิ่งปุพับสงบดิ่งปุพับสงบหายเงียบปุ๊บปับสงบ ย, ย, บปบงบยไปทางขวามานุบหนาให้เป็นเหมือนท่านอย่าลืมว่าท่านคือท่านเราก็คื อ, ค, อคือเราวิสัยอัยารัยของท่านคือ่งของท่านของเราคือของเร า, เราแต่ถ้าเรามาตรงนี้มันเป็นเส้นตรงเป็นกระแสตรงเป็นเส้นตรงนะจะอยู่ชาติชั้นวันณนะใดก็ตามคอยมีสติมีสัมผัยัญ ญ, ญาไม่เป็นคนถูกกรรมมันนันจำ ก, กัด บ้ า, บาไม่วิกลวิการเอาจิตมาใช้พิจารณ็เหตุผลอะไรไม่ได้พวกนั้นไม่มีโอกาสเพราะกรรมมันทำเขาแต่ถ้าสติสัมมชั ญ, ญามีความรู้พื้นๆเหมือนอย่างพวกเราทำได้มดหมุนมาตรงนี้ไม่ต้องไปล้มกับริษ์เดชอภินยาสารพัดไม่ต้องไปนึกไปคิดไม่ต้องปจะต้องไปดูนะครไม่ต้องไปจะต้องไปดูสวัสดีสิ่งนั้นเป็นของผ่านเฉย บางทีรู้นรกรู้สวรรค์รู้นู่นรู้นี้รู้อะไรทําให้เราเพลินเพลินไปเผลอแหละเพลินไปเผลอเผลอเหตุสร้างเหตุก็ความเป็นนรกนะเหลือไม่ทําเดิมระวังให้ดีเหลือไม่เท่า เ, เาาดิเมมันเผลอมันไม่ใช่หลักมันผิดหลักเพราะฉะนั้นเรามาตรงนี้เรามาถูกหลักนี่คือหลักมารสติปัญฐานหลักวิปัสนาหลักสมถะหลักวิปัสนาโดยแท้มันเข้ากับที่อาจา ร, รย์เยือนเยือนทัดพุดเมื่อคืนท่านบอกว่า สติวิปัสสนาสติวิปัสสนาสติวิปัสสนานี่แหละสติวิปัสสนาสติสตมหาสติปัฏฐานนี่เองมหาสิปทธานมีอยู่สอย่างเราจะพิจารณากายก็ตามเวทนาก็ตามจิตก็ตามธรรมก็ตามทำข้อใดที่มันถูกกับจิตกับนิสัยของเรามันจะถึงทั้ดเพราะกายมันเป็นที่ตัณหามันภาค พ, พิงมาที่กายตัณหามักพาคพิงมาที่เวทนา ทมให้เรากดีใจเสียใจตั้หามันพาด พ, พิงมาที่จิตหรือก็นหนดย้อนไปดูจิตมันก็สนุกเอาจิตไปใช้แล้วก็พิจารณาธรรมคำว่าพิจารณาธรรมก็คือพิจารณาักอริยสัจสีการกําหนดตามหลักพิจารณาอริยสัจสมันก็คลุมหมดทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเหมือนอย่างลูกตาท่านให้เราเจริญมีบัตท่านให้เราเจเ อ, อ อธิยศสีนะท่านบอกว่าให้เรากำหนดทุกแล้วก็ย้อนไปดูสมุทัยให้กำหนดทุกแล้วก็ย้อนไปดูสมุทัยเพราะสมุทัยมันเกิดมันเกิดที่จิตย้อนไปดูที่จิตก็เหมือนอย่างเวทนาเกิดที่กายของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนเราก็กำหนดไปที่เวทนาแล้วก็ย้อนเข้ามาที่จิตเนี่ยมันเข้าหลักอธิยศสีนะกำหนดที่ทุกขอเวทนาย้อนมาที่จิตถ้าเราไม่ย้อนมาเดี๋ยวต่างหากมันยึดยึดที่จิตนั่นแหละ เรพยายามทาําขณะกินให้ถี๊ยบเข้าไปไม่เกิดไม่ปล่อยไม่เกิดช่องว่างเกิดช่องว่างที่ไร้ไม่ได้ัรรเสกข้ามาตรงนี้ต้องระวังทีเดียวการตั้งใจจะปฏิบัติให้ได้หลักได้เกณฑ์ไม่จะต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปหลองเกี่ยวกับปริเดชอภิญญาสารพัดหลงลงูง้นหลงนี้มาตรง น, นี้เป็นกระแสตรงเป็นเส้นตรงทาให้เราให้กําลังใจรวดเร็วแต่เมื้องแรกให้เราเจริญสมถะ พุโทพโธพพอเริ่มเก็บเริ่มปวดเราก็มาเจริญตามหลังมาที่ฐานเพราะเรื่องของสัจจะทุกเวทนามันก็เป็นสัจจะทำอย่างหนึ่งแต่เวลาสัจจะทำปรากฏกับเราทําไมเราทนดูไม่ได้ทําไมต้องไปยึดว่าเบทยนาเป็นเราเราเป็นเวีนาโอ้ทนเก็บทนปวดได้คลิกเปลี่ยนพลเปลี่ยนโอ้ตายแน่ตายแน่เพราะอะไรเพราะเราไปยึดมั่นถึงมั่นด้วยอุ ป, ปาฐาเ น, นี่ยตัณหามาเข้ามาที่ใจเรามีสติย้อนมาที่ใจของเราปับ๊บมันทัน พอมันทันปั๊บมันละลายหายไปหมดย้อนมาปั๊บมันทันละลายหายไปหมดหนักหนักเข้ามันโผล่ขึ้นมาไม่ได้หนักหนักเข้าโผล่ขึ้นมาไม่ได้เกิดมันเผลอโผล่ขึ้นมาอะไรท่ากันปั๊บโอ้แรงนุนแรงมากแวะไปหลายวันเหมือนเป็นอาหารไม่น้อยกอ่าหนึ่งไปไปหลาวัดลองตั้งใจทําตรงนี้น ะ, ะทําให้เรามีกําลังใจ ทำอะไได้ข้อปฏิบัติมี่พูดทั้งหมดให้พูดไปตรงจุดหมุนที่ทํำไงจะเกิดประโยชน์กับการที่เราตั้งใจภาวนาะขอให้จิตเราหมุนมาอยู่ตรงนี้จิตจะสมองละเอียดลึกไปถึงไหนก็ตามจะไม่ละเอียดไม่ลึกไปถึงไหนก็ตามขอให้มันมีสติอยู่กับปัจจุบันย่อมเกิดผลเกิดประโยชน์มันเป็นการสร้างสร้างพื้นเพยให้กับจริตนิสัยในจิตใ น, ในใจของเราได้อยา่างมีหลักมีฐานเป็นแก่นเป็นฐานให้กับของเราได้อยากก่างแท้จริง่ที่เราไม่เคยสนใจ โอ้หมดอะไรตยอากหมดความแล้วทาอย่างนั้นกับแล้วทำอย่างนี้ก็แล้วไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นให้เรามาตรงนี้นี่คือหลังปฏิบัติหลักอริยสัจสี่ําหนดทุกย้อนไปดูสมุ ท, ทัยทุกับสมุทยัยความทุกเวลามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากสมุทยัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกอะไรคือทุกเดี๋ยวชี้ให้รู้ร่างกายของเราที่เป็นรูปธรรมนี่คือของทุก เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือก่อทุกนี่คือกองทุกกองทุกอันนี้คือผลกายก็เป็นส่วนผลเหตุของมันคืออะไรตัณหาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไรคือส่วนผลมาจากอะไรมาจากตัณหาเนี่ยเราพิจารณากายไปย้อนไปดูสมุทยัยที่จิตพิจารณาเวทนาไปย้อนไปดูสมุทยัยที่จิตนี่เข้าวหลักอริยสัจสี ต้องตราที่กสอนอย่างนี้นะถ้าสอนให้กําหนดทุกเราก็ย้อนไปดูสมุทยัยเพราะสมุทัยมันเกิดมันเกิดที่จิตในขณะที่เราตั้งใจกำหนดจดจ่อประไฟจดจ่อประมาณ์นี่มันเก่งมากเอาสติกำหนดจดจ่อเอาสมาธิกำหนดจดจ่อเอาปัญญากําหนดจดจ่ออยู่ตรงนี้เลยมันหมุนมั น, มนพันกันเหมือนกำปั้นเราเราไม่ต้องมาแยกมาแยกมันพันก็มันไปเองไปโดยอัตโนมัติที่เรียกว่าสามคขีสามขี เมือนุขสติจังหวัดมักจะสมัครีมักจะสมัครีนี่แหละมันสมัครีมันสมาสามัคคีตรงนี้แหละเรากระดกจดจ่อเวทนามันก็เท่ากับกหนดจดจ่อกายกหนดจดจ่อจิตกระดจดจอด่อถามเพราะการทำงานทุกครั้งจิตเป็นคนทำงานดูเวทนาคือเอาจิตทำงานดูทำก็เอาจิตทำงานดู ก, กายก็เอาจิตทำงานทำไมถึงมีเสีย พระศีรษฐาธิมัยจึงมีแก้สี่เพราะมันเป็นที่ที่สลับตันหามันพาดผีเข้ามาที่กายที่มีสนาที่คิตที่ทําเราถนัดกับยันทะยังให้เราทําให้เด็ดขาดลงไปเลยเพิ่มาถูกกับจรินิสัยอะไรก็อดจอดจอเข้าไปจิตก็อดจดจอเข้าไปเลยจนอยู่ที่นั่นอยู่นั้นแหะอะไรมันจะเกิดก็เกิดอะไอยู่นั้นแ่ะอะไรมันจะดับก็ให้มันดับอยู่นั้นแ่ะในขณะที่เรากําลังจดจอดตรงนั้นเราจะได้เห็น เราจะได้เห็นความรื่นรงต่างหากในหัวใจเรามันจะเริดิ้นริ่ิ้นเริ่มดิ้นเริ่มริ้นอยู่ในนั้นตัวนี้แหละที่มันพยายามกระเกณงให้อัตภาพร่างกายของเราเที่ยงให้อัตภาพร่างกายของเราอยู่คงที่เท่าเดิมแต่มันไม่เป็นไปตามใจว่าเพระมันเพราะอนั้นมัน pues ม mm ี <teachers> แต yeah. ่ความอยากที่เฉยสัจยธรรมที่แท้จริงสังขารทั้งหลายต้องเปลี่ยนไปเป็นอนิจจ์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกข์เปลี่ยนไปเป็นอนิจจ์ บรรดาภาบุตรกัลยาบดิ์าราธนาบท่ลานไม่ได้สร้างบารมีท่านมาติดค้างอยู่ตรง น, นี้แหละมาติดค้างอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านม า, าเปเี่ยนท่านม า, าเปลี่ยนท่านมีบุญญาบารมีแทนที่ท่านจะยึดรูปปัสมบัติอารม ป, ปสมบัติเหมือนอย่างคนนั้นท่านไม่ยึดถ้าจะปล่อยพย oy, ิจารณาปล่อยหลังจากปล่อยรู ป, ปสมบัติอารม ป, ปสมบัติท่านเข้าถึงปรมาณุขังใช่ไหท่านเข้าถึงปรมาณุขังพวกพราหมณ์เน่ยเขายึดรูปปัสมบัติอารมปสมบัติ กลายเป็นศาสนาแห่งอัตตาอัตตาอาตมันนี่แหละคืออัตตาอัตตาคือตัวตนดูไปความที่ว่าเป็นตัวตนที่มันเกิดขึ้นในใจขเราคืออะไรก็คือตัวนี้แหละมันก็สิ่กระสับให้เราก่อรกรากเป็นตัวเป็นตัวขึ้นมาในใจขเรายึดรูปธรรมยรูปยึดรูปอารูปธรรมยึดรูปปัจจามาภะต้องการให้มีผู้เสพสุขต้องการให้มีอัตตาต้องการให้มีตัวตนผู้เสพสุขผู้เสวยสุข แต่พระุทธเจ้าท่า น, นมันไม่ใช่นะถ้าเป็นเราเราต้องบอกมันได้โดยเหตุที่เราบอกมันไม่ได้มันจึงไม่ใช่เรามันไม่ใช่อัตตาแต่ตรงกันข้ามมันเป็นอนัตตาพอพระองค์ปล่อยหมดเท่านั้นเองจิตของพระองค์น่ยเข้าถึงประมัสงสุขังเศรษกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในพระใสของพระองค์ล่หายไปหมดนี่ศาสนาอีกในโลกสอนอย่างเดียวคืออันนี้อย่างเดียวคือ อนัตตาอนนี้จ้าทุกขังคนทุกนั้นสมัยนั้นเขารู้นจักแต่ไม่มีใครรู้เรื่องเห็นเห็นเรื่องของอนัตตารู้แต่พระพิจารณามาแล้วอนัตตาของพระองค์ไปอุบัติขึ้นถ้ำกลางอัตตาอัตตาอัตตาของพวกพราหมณพราหมณ์เขาต้องการให้มีผู้บริบริโภกสุขผู้เสวยสุขให้มีอัตตาอัตตาคือตัวตนพยายามยึดนน้นพยายามยึดนี้ให้อยู่ในอำนาจในขอบเขตของตัวเอง จแล้วก็ตายไปแล้วไปเกิดบนพรหมโลกอายุแปดมืนสี่พันกัปพวกพรหมเหล่านี้นะพอหมดกําลังตกเตกมิมมาอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาเนี่แหละเที่ยงเขาถึงนิพพานของเขาพุทธิาทนบอกไม่ใช่อย่างไม่ใช่ตราบใดที่ยังมีภพชาติจํากัดอยู่ตราบใดยังมีภพจํากัดอยู่ตราบนั้นจะต้องมีอายุจํากัดพวกพรหมอายุแค่แปดหมื่นสี่พันกัป แต่พุทธิยักทสร้างปาริมีมากกว่านั้นท่านสามารถทําให้เต็มได้แค่กําไรเสนหานกับมันก็มากกว่าแปดหมื่นสีพันกแล้วพุทธิยักท่าสร้างาเต็มได้งานขนาดนั้นสามารถสร้างได้เต็มได้สามารถสาาร้างได้ได้มาจนเต็มพวกพร้อมเวลาเขาหมดอายุไขเขาก็จอดตุ๊ลงมาแหมมันเที่ยงที่ไหนที่ไหนมันมีพบจากัดตรงกลางพุทธิย้าษ์ท่านปล่อยหมดหมดพบหมดชาติปล่อยตัณหาปล่อยอุปาทานหมดหมดพบหมดชาติ หมดเพราะไม่มีที่เกิดไม่มีท่าที่ไหนจะไปเกิดเพราะหมดผู้ยึดผู้ถือแล้วรู้ทีเจ้าท่านจริงทรงตรัสว่าอันนี้จังทุกข์ทุกข์นักต่าเราลงไปที่หัวใจเราดูไปที่ใจของเราเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจแม้แต่ตร่างกายของเราก็เป็นผลเกิดขึ้นมาจากใจใจคือสมุทัยที่มันมีอยู่ในใจนี่เป็นผลผลของขามันจะแท้หละเราพูดวกเวียนอยู่เท่านี้อย่างไรพวกเราเกิดความเพื่อเกิดความเข้าใจตรงนี้ เราจะได้แนวปฏิบัติเราจะได้ข้อปฏิบัติเท่าที่มัทพูดมานี่ก็รู้สึกว่ายาวพอสมควรเลยนะฮะโอ้ยเกือบสองชัวโมงฮะโอ้ยาวแล้วเกินนานจบแล้วเกินเมื่อไรจะจบสักทีวะนานแล้วเกินนานจบแล้วเกินแทนที่จะพุดโธพุดโธพุดโธดูเวทนาดูจิตดูจิตดูเวทนาไม่ได้ดูแลยโอ้ทำไมยาวแล้วเกินนานจบแล้วเกินนานยาวแล้วเกินจบแล้วเกินถ้าเราดูออกนั่นต่างกระแสกเัาแล้ว อยู่ตรงนี้แหละขยับอยู่ตรงนี้แหละสักหน่อยเดียวได้เจอดีกันเลยได้เจอดีกันลเนลยนะไม่ต้องไปยึดที่ท่านผู้อรานก็หลอดปักหัวเงียบให้ไปเลยอย่าไปยึดของใครของเราอยู่ตรงนี้รู้เห็นก็ตามไม่รู้เห็นกระตั้แต่มีสภาวะทําให้เรารู้มีงานให้เราทําตลอดรู้วิธีการตอก่อนกันกับตันหาตรงนี้เยี่ยมที่สุดด้่ยเห็นที่เรามีตันหาอยู่นั่นเอง อุปาทานจึงเกิดขึ้นพบชาติจึงเกิดขึ้นจึงมีขึ้นกองทุกข์ทั้งหลายมันตามมาเป็นพรวนเราดับตัวเดียวได้พระพุทธเจ้าท่านดับอวิชชาตัณหาอุปาทานได้แท้ที่จริงก็คือเจ้าตัณหาตัวเดียวเท่านี้แหละเป็นเหตุให้ประจิตของพระองค์เนี่ยเป็นจิตบ่อที่สุดเป็นหนึ่งเดียวนะไม่เป็นของสังขารนะจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันต์ทศวรรท่านไม่เรียกสังขารท่านเรียกว่าวิสังขารเพราะเป็นสิ่งหนึ่งเดียวครับนะ ไม่มีพบไม่มีชาติน้ำรองตอนอยู่อย่างนั้นตลอดอนาตกาเราฟังดูทีมีพบมีชาติจำกัดไม่มีแล้วก็สิ่งเหล่านี้หมดไปจากโอกไหมไม่หมดไปจากโอกผู้รู้ที่บริสุทธิ์อยู่นี่ยังมีอยู่แล้วเอาอะไรมาพูดพระพุทธเจ้กากนที่พระองค์จะเข้าสู่มหาปริพานพระองค์ใช้พระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์นี่แหละเข้าฌานเข้าฌนที่หนึ่งทที่สสี่เข้ารูปไปฌานหนึ่งที่สที่สามสี่ไปประทับที่สัญญาเวทีต่ญญางๆโลก ทัง้งโลกปิชาทัาง้งโลกปิชาอันนี้เป็นวิหารธารมวิหารธรรมมันเป็นผลที่จิตดวงนั้นฝึกฝนอบรมได้ไม่ใช่นิพานไม่ใช่มรรคผลไม่ใช่นิพานมันเป็นทางดําเนินมันเป็นผลที่ฝึออกฝนอบรมได้ผู้รู้ของพระองค์เวลาไปภาคถิ่นลงตาท่านเรียกว่าสมมุติรูปปัสมบัติอรูปปัสมบัติท่านถือว่าเป็นสมุตดสัญญาเวทที่ยต่ในโลกท่านถึงว่าเป็นสมมุติเ ม, มเมื่อพระจิต ที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าไปประทับอยู่ที่สมบุกพระอนุรุทธะมองเห็นเวลาออกจากสมบุกแล้วมองไม่เห็นมองไม่เห็นขนาดพระอนุอนรุธทธะนี่เป็นผู้มีทีประจักสุดนะมองไม่เห็นในระหว่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงทําปรินิพพานกรรมนั้นพระอนุรุทธะ เ, เป็นคนมองนั่งมองก็เดียวพระพุทธเจ้าไปประทับอยู่ที่สัญญาเวทีโลดบรรดาสาวกทั้งหลายว่าหลวงพุทธเจ้าถ้าดับปรินิพพานแล้ว พระนุงท่านบอกว่าอย่างอย่างนั้นหมายว่าพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์อยู่ในอยู่ในสัญญาเวทีเร็วเสร็จแล้วพระองค์ก็ถอยกลับมาอีกถอยมาอรมุปรสมบัติถอยมารูปปรสมบัติเข้าไปใหม่อีกตราบใดที่ทรงอยู่ในองค์ฌานองค์ใดองค์หนึ่งมองเห็นมองเห็นพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์พออยากรูปปรสมาบัติอารมุปรสมบัติก็ไม่เข้ารูปปรสมบัติพระจิตบริสุทธิ์นั้นไม่อยู่อารมุปรสมบัติก็ไม่เข้า พระอนุนทักษ์เหมอกไม่เห็นเลยตอนนี้เพราะเพราะจิตที่บริสุทธิ์ของท่านไม่ได้พาดเพียงสมมุตินี่คือผู้บริสุทธิ์หมดไปไหมไม่หมดไปอยู่ไหนอยู่ในโลกเรานี่เลยเพราะฉะนั้นพระวิญญาท่านฝากพระศาสนาไว้ท่าฝากไว้กับอริยมรรคมีองค์แปยุคใดสมัยใดพวกเราใีการตั้งใจฝึกฝนอารมตามอริยมรรคมีองค์แปดพระอารหันต์จะไม่สูญไปจากโลกใครเห็นธรรมคนนั้นชื่อว่าเห็นเราใครเห็นเราคนนั้นชื่อว่าเห็นธรรม นีใครเห็นธรรมคุณ้นเชื่อว่าเห็นเราแท้ที่จริงพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์ก็คือหลักธรรมนั่นเองเพราะไปเห็นอันนี่จากทุกขังนักตะละได้หมดจดเต็มที่เห็นพระพุทธเจ้าเต็มองเราดำริถึงพระพุทธเจ้าทีไรเมื่อไหร่ยังกึ่ก้องก็เทือนถึงพระองค์อยู่เพราะฉะนั้นเราตั้งใจทำวัดเลยตั้งใจสวดมนต์ตั้งใจเจริญภาวนาอะไรอะไรอะไรเลยท่านถ้ามีกําลังใจอ๋อพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์ยังมีอยู่ อย่าไปคิดว่าพระองค์ไม่มีแต่เราไม่มีตาตาในมองเห็นนะพระองค์ไม่ได้มาภาคพิงสมมติใดๆเพื่อให้พวกเราเห็นแต่ถ้าเราเริ่มมีสมาธิเราเริ่มเห็นพุทธเจ้าเราเริ่ม ม, เเ ม, มีเริ่มได้โสดาสกิทาคารนะครับได้เป็นภารหันเห็นพระพุทธเจ้าเต็ม อ, อกนั่นหละคือองคุตตะแทพ้นทุกขพนโทษในวัฏฏะสงสารไปได้อันนี้เป็น ช, ช่องทางเดียวที่พุทธบริษัทของเราพยายามตั้งใจเสกตะกายและดลําเนินไปให้ถึง โอ้วันนี้รู้สึกว่าหมุนอยู่ตรงเดียวหนดเวลาไปสองชั่วโมงนานแล้วเวลานจบแล้วก็ยาวขึ้นมั น, นจบนฟังนั่งมาทอมาราทอนยาวมากนะรู้สึกหมดเวลาไปสองชั่วโมงน่าจะพอสมควรกับเวลาคิดว่าพอเราได้ข้อปฏิบัติได้แนวปฏิบัติได้ความรู้ได้ความเข้าใจดได้ความเรื่อมใส่ได้ความศรัทธาบางค น, น, นตั้งใจบริกรรมให้รับความสมงบ สิ่งานี้เป็นอนุสรณชีวิตร่ับเราพวกเราจับตรงไหนได้ยึดตรงไหนได้เข้าใจตรงไหนได้ให้เรายึดไปเป็นข้อปฏิบัตินี่แหละคือข้อปฏิบัติแท้ๆตำหนักเป็นอย่างนี้หมุนอยู่ที่เดียวจนเกิดพยายามตั้งสติขมว ร, รู้อยู่ตรงนี้แหละทั้งใจเจริญสัสมปทายกระดอนรูร้ ตั้งใจก็หล่มาพิจรารณามีสติกำกับโอ้ยอยางทั้งหทั้ใจทำเต็มร้อ ย, กก ย, อยผลอนิสงสมที่เราฝันพึ่งเราจะต้องได้ประสบวันคืนโลกไปจะต้องได้ประสบอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นขึ้นอยู่กับธรรมานุธรรมปฏิปติใครตั้งใจปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนมากมายขนาดนีน้ผลย่อมปรากฏตามนั้นก็คงจะพอสมควรกับเวลานะอ่า ถ้าเผื่อไทยยังข่องใจว่าจะถามอะไรอย่างที่เราพูดเพราะตังแต่ทีแรกก็คุยได้บ้างแต่มันจะหมดเวลาเ้าไปอีกเยอะเลยน ะ, ะถ้ามีถ้าไม่มีเราไ็จะให้พรให้พรก่อนจะถามก็ได้ <c oughs> อิชิตางปฏิตามตุมหังขิปเมวัสมิชาตุกสเพปูเรนตุกสังกป า, าจัโนโผนระโสยัามนิชโชติรสโสยถ า, าสพีติยวิวัชันตุสโรโควินัสตุปมาเตหวัตตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวอภิวาตนาสีลิสนจาจุทาปจายโนโจัตตาโรโฉมาวัฒททนติอายุวันโนสุขังภะลัง อ่าโอ้โหสองชั่วโมงกว่าไว้ฮะมาดราทอนจริงๆวะอ่ะฟังดีไว้พวกนี้ฮะโอ้ดีใจด้วยอืออือการงานการอูเจ้า ยอดนักเทีวันนี้นะเจ้าค้าหนึ่งหมื่นสองพันหก้อยเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุอืมอมอืมอืมืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม นี่อะไรอ่ะ่อนี่อะไรอืมอืมอืม ยะนั่งปรุงแต่ปัญหาแหละออแเอ า, เอ า, เ, อาเอาได้เลย่บอกว่าจับทเงาที่ขาดถ้าถึงเราท่องแล้วเราจะสารต่อมันจะไปเข้ามันเองงานเหล่านี้มันจะไปเข้ามันเองในเมื่อเราจับทุกขเวทนาจนชินจนชนานาญแล้วเราไปจับสุ ข, ขเวทนาบ้างแต่สุ ข, ขเวทนามันจับยากและสุ ข, ขเวทนามันไม่ต้องทน ยาสุสบายมันไม่ต้องทนแต่ทุกเคยทนามันต้องทนมันต้องใช้ความอดความทนตัณหามันแทรกเข้ามาได้ง่ายคอยทำหมุนอยู่ตรงนี้แหละหมุนจนต่างอันตังจริงจริงๆริกายก็เป็นสัจจคของมันเวทนาก็เป็นสัจจคของมันจิตก็เป็นสัจจคของมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างกายเวทนาจิตธรรมต่างอันต่างจริง มันมันมันจะทําตัญหาสติของเราก็จะดีขึ้นปัญญาของเราจะดีขึ้นแล้วก็สามารถเห็นสัจจที่แท้จริงสัจจะว่าสัจจะว่าจริงๆรสัจจะทำเหล่านี้มันสัจจะว่าสัจจะว่าจริงๆมันไม่ใช่เรามันไม่มีเรามันไม่มีอัตตาตัวตนของเราตัญหามันเกิดในใจของเราไม่ได้สติกำลังรู้อยู่ตลอด ตัวเนี่ยตัวตัวยากทีสุดเราพยายามทําตรงนี้เพรายามสมถะเราก็เอาเพราะสมถะมันทําให้สติของเราแน่นหนามันคงสมถะให้มันอยู่ให้มันหมุนอยู่ตรงนี้แหละจนผลที่แท้จริงมันปรากฏขึ้นมาอีเรายังไปฆ่าย่าไปเดาการที่เราค่าเราเดามันจะเจอของปลอม เราไม่ค่าเราไม่เราเดี๋ยวเราเจอของจริงเของจริงปราบหมของใครของเราจะรู้จะเข้าใจปัจจุบัรด้วงตัวเรเองจิตของเราจะตื่นโรคในขณะที่เราทำมันมันก็มันก็เป็นการเหมนปัญญาอยู่แล้วญญนี่มันไม่ใช่สมถทานนะในขณะที่เราย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปแต่ถ้าเป็นเรื่องของ ส, สมถสมถทานเราอยู่กับอารมณ์มันเดียวอันนี้เราแล้วแต่มันจะย้ำย้ายผันแปรไปตรงไหน เราใช้สติใช้สมาธิกำลังจดจอ่อดูอ่าดูให้ดีดูให้ดีดอ่าเอาไปฟังอีกก็ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแผ่นนี้ไปฟังอีกก็ได้อือมีอีกไหมมีอีกไหมอ่ อ่า ไ, ไปตั้งใจไปนั่งภาวนาะแข่งกันได้เลยนะใครเก่งเรื่องนี้นั่งไปทั้งคืนต่อสู้เวทนา น, นั่งไปทั้งคืนเอ า, าการยึกันถือออกเอาตัรหาออกมันไม่มีอะไรเหลือแต่จะทะจําปรากฏรู้เฉพาะหน้าเรามีหลวิชานั่งทั้งคืนวิชานี่แหละาสูเจ้าขอโอกาสพระุครั้งนึงนะคะอ่าขอประกาศยอดเน ที่ได้ถวายการเทศไปนะคะ 17,850 บาทบาทางส